จเจริญพรทุกท่านธรรมะจริงๆไม่ใช่ของยากนะแต่ถ้าเราไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังก็เข้าใจยากหน่อยเรื่องธรรมดาไม่ว่าเราเรียนวิชาอะไรถ้าได้ยินครั้งแรกก็เข้าใจยากได้ยินได้ฟังซ้าแล้วซ้ำํำอีกก็ง่ายนี่เรารู้จักศาสนาพุทธ ส่วนใหญ่เรารู้จักตามประเพณีทำกิจกรรมอะไรแบบชาวพุทธตามประเพณีเฉยๆถึงเวลาก็ทำบุญใส่บาตรทอดกระถินทอดผ้าป่าแจกสองทำบุญบ้านเวลาตายเ็เอาเข้าวัดพระไปสวดวิธีพิสูจน์ว่าคนไหนเป็นชาวพุทธก็คือตอนตายแล้วเอาศพไปวัดเขาเป็นชาวพุทธแล้ว ศาสนาพุทธจริงๆไม่ได้ต่ำต้อยได้ค่าขนาดนั้นหรอกนะคําสอนของพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเราเข้าใจนะเข้ามาสู่ใจจริงๆแลเราจะพบว่าอัศจรรย์ยิ่งกว่าความรู้ทั้งหลายในทางโลกความรู้ในทางโลกหลวงพ่อก็เรียนมาเยอะนะะมารู้จักธรรมะแล้วก็ความรู้ในโลกเรื่องเด็กๆไปหมดเรียนทางโลกก็เรียนเอาไว้ทำมาหากินชั่วครั้งชั่วคราว เรียนธรรมะมนะันสามารถถอดถอนความทุกข์ออกจากใจของเราได้เด็ดขาดเรียนธรรมะนะไม่ใช่เรียนเรื่องอื่นหรอกเราเรียนเรื่องของตัวเราเองนะมาฝึกจิตฝึกใจของเราให้เหมือนพ้นทุกข์ั้นจุดหมายสูงสุดของการศึกษาปฏิบัติธรรมกนะ็คือพ้นจากทุกข์ทั้งปวงความทุกข์เข้ามาไม่ถึงใจเราละ นคนในโลกจะเต็มไปด้วยความทุกข์ดิ้นรนไปหมดปัญหานี้มีปัญหาโน้นต่อตลอดชีวิตมีความทุกข์เพราะความไม่สมหวังความทุกข์เพราะไม่ได้อย่างใจความทุกข์เพราะความแก่เพราะความเจ็บเพราะความตายความทุกข์เพราะพลาดพรากจากสิ่งที่รักความทุกข์เพราะเจอสิ่งที่ไม่รักความทุกข์เพราะว่าอยากได้แล้วไม่ได้ ความทุกข์มันเต็มไปหมดคนทั้งหลายก็อยากให้พ้นทุกข์ไปพระพุทธเจ้าเนี่ยตอบปัญหานี้ให้เราว่าทำอย่างไรทำอย่างไรเราจะพ้นจากทุกข์ได้จริงๆชีวิตคนไม่ใช่ต่ําต้อยเหมือนหมูเหมือนหมาเกิดมาแล้วก็อยู่ไปเรื่อยๆหากินไปมีลูกมีเมียไปวันหนึ่งก็แก่ไปตายไปชีวิตอย่างนั้นไม่มีคุณค่าอะไรเท่าไหร่ เรื่องธรรมดาสัตว์โลกทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นพวกเรามีบุญวาสนานะเราได้เจอศาสนาพุทธแล้ว เ, เราเรียนให้ได้แก่นได้หลักที่แท้จริงของพุทธศาสนาเราจะสามารถมีชีวิตอยู่นะโดยที่ไม่มีความทุกข์เข้ามาสู่ใจความทุกข์มาได้เฉพาะร่างกายความทุกข์เข้ามาสู่ใจไม่ได้จะหลับก็เป็นสุขจะตื่นก็เป็นสุขนะจะมีชีวิตอยู่ก็เป็นสุขจะตายก็เป็นสุขอยู่ ไม่มีอะไรมาทําให้เราหวั่นไหวได้เลยเนี่ยสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยการฝึกฝึกจิตฝึกใจของเราเราไม่ได้ฝึกจิตฝึกใจให้ทนต่อความทุกข์ไม่ใช่ว่าความทุกข์มาแล้วทนเอาพระพุทธเจ้าท่านสอนสิ่งซึ่งประณีตลึกซึ้งมากเลยคนทั่วๆไปเกลียดทุกข์กลัวทุกข์ไม่อยากเจอทุกข์พระพุทธเจ้าสอนให้เรารเผชิญหน้ากับความทุกข์ความทุกข์อยู่ที่ไหนความทุกข์อยู่ที่กาย ให้เราเรียนรู้อยู่ที่กายความทุกข์อยู่ที่ไหนความทุกข์อยู่ที่ใจให้เราเรียนรู้ลงที่ใจเราเรียนรู้ลงในกายเรียนรู้ลงในใจดูความจริงของกายของใจให้มากเขาเราจะเห็นเลยความทุกข์มันมาอยู่ที่นี่เองถ้าเราเรียนรู้ความจริงของกายของใจได้วันหนึ่งจิตมันหมดความยึดถือกายยึดถือใจจิตมันสลัดคืนกายคืนใจให้โลก ความทุกข์มันอยู่ที่กายมาเข้าไม่ถึงจิตใจที่เข้าถึงความสะอาดหมดจดแล้วความทุกข์อยู่ในความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายมันหลุดกระเด็ออกไปจากใจที่สะอาดหมดจดยันฝึกจิตฝึกใจไปเรื่อยนะถึงวันหนึ่งจิตใจเข้าถึงความบริสุทธิ์ความสะอาดสิ่งเหล่านี้สามารถทําได้คนธรรมดานี้แหละอย่างพวกเรานี้แหละทําได้ บางคนคิดว่าจะปฏิบัติรมจนถึงขั้นสูงแบบนั้นนะต้องไปนั่งสมาธิมากๆนั่งสมาธิมากๆแบบฤาษีชีพลัยหวังว่าวันหนึ่งสงบไปมากๆแล้ววันหนึ่งจะพ้นทุกข์ทั้งปวงไม่พ้นทุกข์หรอกคนละเรื่องกันเลยทำความสงบก็ได้ความสงบรักษาศีลมันก็ได้รับได้มีศีลใช่ไฝึกจิตฝึกใจให้มีความสุขความสงบก็ได้ความสุขความสงบหัดเจริญปัญญาก็ได้ปัญญา ปัญญาแก่รอบนะมีมุดก็จะเกิดขึ้นความหลุดพน้นจะเกิดขึ้นนั้นความบริสุทธิ์ที่เราหวังให้จิตใจเราเข้าถึงได้นะมันเกิดจากจิตใจมันมีปัญญาเห็นความจริงของชีวิตนะสิ่งที่เรียกว่าชีวิตเราหรือตัวเราตัวเราก็คือกายกับใจนี่งั้นหน้าที่หลักที่พวกเราจะต้องเรียนรู้นะเรียนรู้กายเรียนรู้ใจของตัวเองให้มากนะพวกเรามาฟังหลวงพ่อเทศเนี่ยเคยได้ยินคำว่าสติปัฏฐานไหม เคยได้ยินไหมใครไม่เคยได้ยินสารภาพมาเลยวเดี๋ยวจะได้เทศให้ง่ายๆยอ่ะย่อมือไหน่ใครไม่เคยได้ยินเลยสติปัฏฐานมีไหมมีกล้าหาญหนึ่งคนที่เหลือแน่ใจนะในหลวงพ่อจะถามเรื่องสติปัฏฐานนะจะชี้เลยนะยังเปลี่ยนใจทันนะถ้าเรารู้จักสติปัฏฐานนะเราจะเริยนสติปัฏฐานเป็นพนระพุทธเจ้าท่านสอนว่านี้เป็นทางสายเอกทางสายเดี่ยว เพื่อจะถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นถ้าเราไม่หัดเจริญสติปัฏฐานที่เป็นวิปัสสนานะสติปัฏฐานมีสองระดับอันหนึงทําไปเพื่อความมีสติอันหนึงทําไปเพื่อมีปัญญาสติปัฏฐานเพื่อมีปัญญาคือเพื่อเห็นความเป็นจริงของกายของ ใ, ใจนี่แหละในสติปัฏฐาน4ี่ที่ท่านบอกเป็นทางสายเอกทางสายเดียวสอน4ี่อย่าง4ี่เรื่องให้เราเรียนรู้4อย่างเรียนรู้เรื่องกายนะเนีย ก, กายญานุปัสสนามีสติตามรู้กายเนืองเนือง อันที่2เรียกเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานมีสติเรียนรู้ความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์เนืองเนืองสุขทุกข์อยู่ที่กายบ้างอยู่ที่ใจบ้างเรียนรู้เนืองเนืองอันหนึง่งชื่อจิตตานุปัสนาสติปัฏฐานเรียน ร, ร, ยนรู้เรื่องความปรุงแต่งของจิตทั้งที่ดีและชั่วเช่นความโลภความโกรธความหลงนี่เรียนรู้ให้มากนะอีกอันหนึ่งเรียกธรรมานุปัสนาเรียนรเรื่องรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายทั้งที่เป็นกุศลทั้งที่เป็นอกุศลทั้งที่เป็นกลางๆ เรียนรู้จนเห็นความจริงของสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยถ้าเราดูลงไปจริงๆแล้วสติปัญญาที่มีสี่ก็จริงนะแต่จริงย่อลงมาแล้วก็คือเหลือแค่รูปธรรมกับนมามธรรมเหลือใกล้กับใจเรานี่องนะงั้นหน้าที่ของเราเนี่ยที่ว่าจะเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้เนี่ยต้องมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจให้ได้กายกับใจเนี่ยเป็นสิ่งที่เรารักที่สุดนะเรารักตัวเองที่สุดแต่ว่ามันอภัพยอย่างหนึง่งเราลืมตัวเราเองตลอดเวลาเลย ตื่นนอนมาเราก็คิดเรื่องของคนอื่นคิดถึงสิ่งอื่นเราลืมตัวเองตื่นนอนมาเนี่ยหายใจออกหรือหายใจเข้าไม่เคยรู้เลยนะตื่นนอนมาเนี่ยจะนอนอยู่ในท่าไหนไม่ได้รูเลยไม่สนใจในร่างกายไม่สนใจในจิตใจของตัวเองทั้งวันเราก็สนใจในคนอื่นสนใจสิ่งอื่นตลอดเวลาเราไม่สนใจร่างกายไม่สนใจจิตใจของตัวเราเองสิ่งนี้แหละที่ปิดกั้นเราไว้จากธรรมะทาให้เราเข้าถึงความรู้สึ์หลุดพ้นไม่ได้เห็นความจริง ของรูปนามกายใจไม่ได้เพราะเราลืมมันอยู่ตอลอดเวลางั้นศัตรูอันดับหนึ่งเลยที่ทำให้เราไม่เกิดปัญญาทำวิปัสสนาไม่ได้ก็คือการที่เราลืมร่างกายลืมจิตใจของตัวเองเวลาเราใจลอยรู้จักใจลอยไหมเม่อรู้จักเม่อไหมเมอม่อไปเวลาเม่อนะจุงกัดก็ไม่รู้ใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นในร่างกายก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นในจิตใจก็ไม่รู้ จิตใจเวลาเราเหม่อนะจิตใจเราจะสุขหรือใจจะทุกข์ก็ไม่รู้จิตจะดีหรือจิตจะชั่วก็ไม่รู้ตอนที่ใจล่องลอยไปงั้นก่อนที่ใจลอยใจเหม่อใจเผลอลืมเน้ลืมตัวเนี่ยเป็นสิ่งที่เลวร้วายที่สุดเลยนะในเรื่องของการเจริญสติเจริญปัญญาคือการลืมตัวเองเรามีร่างกายแต่เราลืมมันไปมันก็เหมือนร่างกายนี้หายไปจากโลกอย่างเวลาเราคิดอะไรเพลินๆมันเหมือนร่างกายเราหายไปจากโลก เรามีความรู้สึกนึกคิดทางจิตใจอยู่นะแต่เวลาเราใจลอยไปความรู้สึกนึกคิดอะไรเกิดขึ้นในใจเราก็ไม่รู้นะเพราะนั้นต่อไปนี้นะเราอย่าใจลอยพยายามรู้สึกตัวให้มากรู้สึกตัวให้บ่อยรู้สึกตัวให้เร็วถ้าเราไม่รู้สึกตัวเราใจล่องลอยไปนะเรามีร่างกายเราก็ลืมเรามีจิตใจเราก็ลืมเนะนี่ยศัตรูร้ายที่สุดเลยนะคือการลืมกายลืมใจของตัวเองสังเกตดูวเวลานั่งฟังเทศตั้งอกตั้งใจฟังใช่是 ขณะที่ตั้งใจฟังนะรู้เรื่องที่หลวงพ่อเทศในขณะนั้นลืมร่างกายลืมจิตใจตัวเองแล้วนะนะเพราะงะั้นการฟังธรรมะนะก็ทําให้เรายังเข้าไม่ถึงกายถึงใจของตัวเองจริงนะลําพังการฟังธรรมะไม่ทําให้เราบรรลุทําได้หรอกเราต้องกลับมารู้สึกตัวให้เป็นนะอย่าใจลอยพยายามรู้สึกตัวบ่อยๆจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนรู้สึกตัวไว้จะหายใจออกจะหายใจเข้ารู้สึกตัวไว้นะ ต้องมีความรู้สึกตัวให้มากที่สุดเลยเท่าที่จะมากได้ใจลอยเมื่อไหร่ก็คือจิตหลงไปแล้วนะจิตมีโมหะมีความฟุ้งซ่านและจิตเคยชินกับความฟุ้งซ่านเคยชินกับโมหานะตายไปเราไปอบายนะไปอบายแน่นอนเลยเมื่อจิตเรามีโมหะครอบงําอยู่ถ้าโมหะครอบงำนะก็ไปเป็นเดรัจฉานถ้าโมหะครอบงําแล้วโทสะเข้ามาแทรกตกนรก ถ้าโมหะครอบงำแล้วราคะเข้ามาแทรกความโลภเข้ามาแทรกก็เป็นเปลเ น, นี่มันเรื่องอันตรายสําหรับชีวิตเราความหลงความเผลอความลืมเนื้อลืมตัวนี่อันตรายที่สุดเลยถ้าเราไม่ฝึกไว้ตั้งแต่ตอนอยังแข็งแรงนะรอตอนเจ็บหนักๆให้คนอื่นเข้ามาบอกเราครับให้พุโทโธไว้ให้พระละหัน์ท่องว่าพระละหันพระละหันไม่ได้กินหรอกใจมันจะล่องรอยไปที่อื่น โมหะครอบเนี่ยสักพักเดียวราคะโทสะแทรกเข้ามาไปในทางที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นต้องรู้สึกตัวให้มากนะอย่าใจลอยหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวอยู่ที่การฝึกถ้าเราฝึกให้ใจหลงมันก็หลงเก่งถ้าเราฝึกอยาให้มันรู้สึกตัวต่อไปมันก็รู้สึกเก่งต่อไปนี้คอยรู้สึกตัวให้ดีนะหายใจออกก็รู้สึกตัวหายใจเข้าก็รู้สึกตัวไม่ใจลอย รู้สึกตัวสบายๆลองดูนะลองทดลองดูแต่เป็นนี่เราลองรู้ลมนะลองรู้ร่างกายที่หายใจอย่าไปดูที่ตัวลมหายใจนะถ้าเราไปจ้องใส่ตัวลมหายใจนะจิตจะเครียดจิตจะแข็งแข็งเราเห็นทั้งตัวเนี่ยเห็นร่างกายทั้งตัวเนี่ยกำลังหายใจหายใจเข้าก็รู้สึกหายใจออกก็รู้สึกรู้สึกไปสบายๆรู้สึกไปทั้งตัวนี่แหละเรียกรู้ตัวทั่วพร้อมนะรู้สึกสบายๆ ถ้าไปจับจ้องใส่ลมเฉยๆใจอย่าเครียดแข็งๆแน่ๆแนๆอย่างนั้นไม่เอาใจที่หนักที่แน่นที่แข็งที่ซึมที่ทื่อเป็นอกุศลจิตนะใจที่เป็นกุศลมันโปร่งมันเบามันโลง่งมันนุ่มนวลอน่ อ, อนโยนคล่องแคล่วว่องไวรู้เนื้อรู้ตัวนั่นเราเห็นร่างกายหายใจไปนะเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าเอาต่อไปทุกคนยิ้มสิยิ้มยิ้มนะเหมือนกับนางงามจักรวาลมายิ้มกับเราเออยิ้มสิ เห็นร่างกายยิ้มเห็นด้วยความรู้สึกนะรู้สึกไม่ร่างกายเรายิ้มอยู่รู้สึกไหมเห็นไหมร่างกายพยักหน้านะเนี่ยรู้สึกอย่างเนี้นะหัดรู้สึกไปเรื่อยๆหัดรู้สึกไปช่วงหนึ่งนะใจเราจะโปร่งโล่งขึ้นมานะใจมันจะรู้ตัวขึ้นมาจิตใจมันจะมีสมาธิที่ดีนะรู้เนื้อรู้ตัวไม่ใช่สมาธิที่แบบลื้อสีชีฟไหลนะเป็นสมาธิที่รู้สึกกายสมาธิที่รู้สึกใจของเราเนี่ยเอายิ้มอีกทีหนึ่งยิ้มหวานอืม เห็นเกณฑ์หมเมื่อก่อนที่หลวงพ่อจะให้ยิ้มใจลอยไปแล้วรู้สึกไหมคิดเรื่องนอนเรื่องนี้ใจหนีไปแล้วยิ้มแล้วรู้สึกไว้นะเราเป็นสำนักเรียนกับหลวงพ่อเนี่ยพวกสุขาปฏิปทานั่งยิ้มเหมันอนก็ช่วยไม่ได้คนมันมีบุญมีความสุขอะ่ะไม่เห็นจะต้องลำบากอะไรนั่หนาได้คิดเหลอว่าปฏิบัติธรรมต้องลำบากมากๆมากฤาษีปนฏะิบัติลำบากมากมเห็นจะบรรลุอะไรเลยนะ นอนบนหนามบนตะปูอดข้าวอดนอนอดทองโน้น อ, นอดอ่างนี้เห็นจะรรู้อะไรเลยรู้เนื้อรู้ตัว ไ, ว, ไออ ว, ว้รู้สึกตัวไว้หายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวตัวนี้ตัวสำคัญที่สุดเลยนะความรู้สึกตัวเนี่ยถ้าเมื่อไรเราไม่รู้สึกตัวมีร่างกายก็ลืมมีจิตใจก็ลืมก็ลืมกายลืมใจไปแล้วเราจะไปเห็นความจริงของกายของใจได้อย่างไร งั้นหน้าที่ของเราจะต้องเจริญปัญญาเห็นความจริงของกายของใจจะเห็นความจริงของกายของใจได้ก็ต้องไม่ลืมกายลืมใจนะรู้สึกไปเรื่อยรู้สึกสบายๆนะเอาพยักหน้าหน่อยพยักหน้าเออเห็นตัวนี้พยักหน้านะพยักสบายๆไม่ต้องแบบนี้นะคนพยักหน้า <c oughs> <c oughs> เหมือนกิ้งก่านะ <c oughs> เนี่ยหัวเลาะเห็นไหมตัวอะไรหัวเล้อร่างกายหัวเลาะเห็นไหมใจเราเป็นแค่คนดู ค่อยๆฝึกนะสักพักหนึ่งเนี่ยกายกระใจมันจะแยกออกจากกันกายกระใจจะแยกออกจากกันได้นะร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูในทางอาจารย์อภิธรรมชอบสอนนะว่ารูปเคลื่อนไหวนามเป็นคนรู้นะเนีเห็นไหมตัวนี้พยักหน้าตัวอะไรเคลื่อนไหวอยู่รูปเหมือนเคลื่อนไหวใครเป็นคนรู้ใจเป็นคนรู้เนี่ค่อยๆหัดไปนะรู้สึกตัวขึ้นมาเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้ไปเรื่อต่ไปรูปะนาม แยกออกจากกันพอมันแยกได้แล้วนะมันจะเกิดความรู้สึกที่แปลกแต่เดิมเนี่ยใจของเราเข้าไปจับทุกสิ่งทุกอย่างแต่พอเรารู้สึกตัวเป็นนะร่างกายมันแยกออกไปนะความสุขความทุกข์มันแยกออกไปกิเลสมันก็แยกออกไปนะจิตก็แยกออกมาตาหากต่างคนต่างอยู่ขันทั้งหลายนี่แยกตัวออกจากกันได้พอขันทั้งหลายแยกตัวออกจากกันได้แล้วต่อไปเวลาแก่ใครแก่ร่างกายแก่ไม่ใช่เราแก่อีกต่อไปแล้วนะ ใครเจ็บร่างกายเจ็บไม่ใช่เราเจ็บอีกต่อไปแล้วใครตายร่างกายตายไม่ใช่เราตายนะมันแยกออกจากกันงั้นการที่หัดรู้สึกตัวนะแล้วก็มันจะแยกออกไปนะร่างกายจิตใจความรู้สึกนึกจิ้มจะแยกเรียกแยกขันออกไปได้ไม่ใช่เรื่องยากเลยที่จะหัดแยกขันบางคนไม่เคยเจอหลวงพ่อนะแต่เขาฟังซีดีฟังแล้วฟังอีกฟังใหม่ๆงงทุกคนแหละแต่ฟังสักพักหนึ่งนะเดือนหนึ่งมีคนหนึ่งหลวงพ่อไปเทศ ตอนนั้นประเทศที่ ico, อามิโก้อาคารอามิโก้มีคนหนึ่งมาส่งกันบ้านบอกผมไม่มีความสงสัยอะไรหรอกฟังซีดีมาเดือนหนึ่งแล้วผมเห็นแล้วว่าขันนี่ยแยกได้ร่างกายแยกออกไปส่วนหนึ่งความสุขความทุกข์แยกไปส่วนหนึ่งความจําแยกไปส่วนหนึ่งความปรุงดีปรุงชั่วโลบกรดหลงแยกไปส่วนหนึ่งจิตอยู่อีกส่วนหนึ่งนะต่างคนต่างทําหน้าที่ต่างคนต่างทํางานไม่มีเจ้าของนี่ใช้เวลาเดือนเดียวในการเรียนนะ นี่ธรรมะแบบเนี้พวกเราไม่ค่อยได้ยินได้ฟังได้ยินได้ฟังสับ้างนะแล้วก็ไม่ยากอะไรคนสมัยพุทธกาลเขาได้มากผลนิพพานกันเยอะแยะเขาได้ยินธรรมะดีๆนะ่ะของเราไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่เราก็คุณทําให้เป็นงั้นเราวันนี้ได้ยินธรรมะชั้นดีแล้วนะอย่านึกว่าเรื่องเล่นๆนะเรื่องรู้สึกตัวเนี่ยถ้าขาดความรู้สึกตัวอันเดียวล้มเหลวแล้วการปฏิบัติทำทั้งหมดล้มเหลวแล้ะทําไปด้วยความ หลงด้วยมีโมหะครอบงํามันไม่ได้เรื่องแล้วนะงั้นต่อไปนี้หันรู้สึกตัวเรื่อยๆรู้สึกไปสบายๆห้ามจ้องนะห้ามจ้องอย่างจ้องไว้เนี่ยจะพยักหน้าแล้วจ้องไว้พยักหน้าแล้วเน่ยเอาละจะกินน้ําหยิบโอ้ชั่วโมงเลยยังไม่ได้กินน้ําเลยไตวายไปก่อนนะนะหรือจะข้ามถนนนะ่ะข้ามทางมาาา้าลายหันทางขวา อันทางนี้คืออี่อาล์ตไม่มีแล้วข้าวข้ามรถทับเลยเพราะนานเกินนะหันก็หันจากเดียวซ้ายแลกขวานะธรรมดาที่สุดเลยนะอย่าให้ใจลอยแล้วก็อย่าไปเพ่งเอาไว้สิ่งที่ผิดนะในการปฏิบัติทำมีสองอันเท่านั้นเองถ้าเราไม่ผิดสองอันนี้เราจะเข้าที่ถูกเลยอัตโนมัติเลยเมื่อไหรไม่ผิดเมื่อนั้นถูกที่ผิดมีแค่2 อ, อย่างเองอย่าอย่าให้ผิดตัวกันผิดอันที่หนึ่งคือหลงไปใจลอยไป ลืมตัวเองมีกายก็ลืมกายมีใจก็ลืมใจอันที่สองที่ผิดนะก็คือบังคับกายบังคับใจถ้าลืมกายลืมใจเนี่ยย่อหย่อนไปเรียกกามสุขาริการนุโยกบังคับกายบังคับใจเนี่ยตึงเครียดไปเรียกว่าอาตัตตะกิรเมฐานุโยกเอาละต่อไปนี้ให้ทุกคนรู้ลมหายใจเข้าออกเอา้าเร็วทำอนาปานสติเอาละพอละหลวงพ่อจะถามหน่อย พอบอกให้รู้ลมหายใจอ่ะขณะนี้หายใจอยู่หรือยังหายใจแล้วแต่ยังไม่ยอมรู้นึก อ, ออกไหมต้องตั้งท่าก่อน <c oughs> อตั้งท่าทางร่างกายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตั้งวางฟอร์มคลุ่มในใจเนี่ย <c oughs> ขลุ่มได้ที่เราถึงจะดูเห็นไหมมันบิดเบือนไปหมดแล้วนะมันไม่มีของจริงให้ดูแล้วมันนิ่งกว่าความเป็นจริงไปหมดแล้วร่างกายก็แข็งผิดความเป็นจริงจิตใจก็ผิดความเป็นจริง ขนาดนี้หายใจอยู่แล้วใช่ไหมเราดูสิรูสิไอ้ตัวนี้กำลังหายใจหายใจอย่างนี้เลยนะหายใจไปสบายๆ ส, สังเกตไหมใจไม่เหมือนเม่กี้เห็นไหมเมื่อกี้ซึไมไปรู้สึกไหมลองทําแบบเมื่อกี้ใหม่หายใจตั้งท่าใหม่เอาใหม่เอาใหม่ตั้งใจเราเรียนกรรมฐานนะต้องฝึกให้ได้เอาวางฟอร์มนั่งตัวตรงๆทําใจขรึมๆ ไม่ลึมเท่าตะกี้ละรู้สึกไหม <laughs> ชักชักจะเป็นละ <laughs> บางที่นะพอบอกนั่งเนี <c> ่ย <oughs> ทำลึมนะมีหลายประเภทนะขึมขลึมเนี่ย <laughs> พวกหนึ่งลึมมากไปหน่อย <laughs> นะยอกแยกยอกแยกไปเลยยิ่งบ่ายเย็นๆนีนนน่ชอบมากเลยนะอีกพวกหนึ่งพวกเครียดนะพวกเนี่ยเข้าไข ทรมานตัวเองทั้งนั้นเลยถ้านั่งแล้วหลับแบบนั้นนะไปนอนดีกว่าเดี๋ยวคอเคล็ดนะตอนนี้หายใจอยู่แล้วรู้สึกเลยรู้สึกเลยตอนนี้หายใจอยู่แล้วอย่าดัดแปลงนะใช้ใจธรรมดาธรรมดาตอนนี้แหละแล้ว ร, รู้ร่างกายที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ใช้ใจที่เป็นธรรมดาอย่างตอนนี้นะอย่าทำใจกลุ่มๆใช้ใจปกตินี่เลยสิ่งที่ผิดมีสองอันนะอันหนึ่งหลงไปเลยอันที่สองไปดัดแปลงกายดัดแปลงใจนะ อย่าไปดัดแปลงมันให้รู้อย่างที่มันเป็นนะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ดัดแปลงเลยนะอย่างสอนานาปานาสติเนี่ยท่านสอนเลยพีกสู่ทั้งหลายให้เธอคูบันลังตั้งกายตรงดําร ง, งสติเฉพาะหน้าทําไมต้องทําท่าอย่างนี้ด้วยเพราแขกไม่มีเก้าอี้นั่งนะเนท่านท่านสอนตามวัฒนธรรมลักษณะท้องถิ่นก็เลยให้นั่งสมาธิแขกไม่มีเก้าอี้ยุกน้อน่ะฤาษีชีไพลนักบวชไม่มีเก้าอี้จะนั่งนั่งกับพื้น ท่าที่นั่งกับพื้นที่สบายที่สุดน่ะนะเห็นไมนั่งให้สบายนะก็คือนั่งขัดสมาธิท้าไม่ได้สอนให้นั่งพับเพียบนะใครเป็นคนต้นคิดนั่งพับเพียบก็ไม่รู้เหมือนกันนะนึกออกไหมถ้านั่งพับเพียบเนี่ยเป็นท่านั่งทำลายกระดูกที่ดีที่สุดเลยนะทำลายกระดูกได้ดีที่สุดเลยกระดูกคตหมดนะนั้นท่านพระเจ้าเลยไม่ได้บอกให้นั่งพับเพียบนะนั่งอย่างหลวงพ่อคูณได้ไหมรู้จักหลวงพ่อคูณไหม ได้ไหมทํมากรรมฐานนั่งแบบนั้นได้ไหมได้ครูบาอจารย์หลวงพ่อหลวงพ่อพุทธนะเคยได้ยินไหมหลวงพ่อพุทธฐานิโยท่านบอกเอาหัวทิ่มพื้นเอาตีนชี้ฟ้าก็ภาวนาได้นะไม่ใช่ว่าต้องวางฟอร์มมากมายนะพระเจ้าสอนให้ให้นั่งสมาธิเพราะว่าเป็นท่านั่งที่สบายนะไม่ไม่ลาบากไปไหนไม่ต้องฮิ้วเก้าอี้ไปนั่งที่พื้นนั่งกับสมาธินั่งตรงไหนก็ได้ใช่ไหมไม่ต้องแบกเก้าอี้ไปด้วย พิสูจทั้งหลายให้เธอคูบันลงังตั้งกายตรงดํารงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรื้ว่ายาวหายใจเข้ายาวรู้วหายใจเข้ายาวมันง่ายๆ่าท่านไม่ได้บอกเลยพิสูจนทั้งหลายให้คูบันลงังตั้งกายตรงเกรงเอาไว้ก่อนทําใจให้ขรึมขรึมหลับตาให้แน่นๆน่นะแล้วก็นั่งหายใจไปเพื่อเพไม่เคยสอนเลยนะพวกเราอ่ะชอบคิดเอาเองคิดเอาเองทั้งสิ้นเลย หืออย่างเวลาพูดให้เจ้าสอนให้ดูจิตดูใจสอนง่ายๆพิสูจทั้งหลายดูกราพิสูจน์ทั้งหลายจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคะไม่เห็นมีอะไรเลยง่ายๆะนะไม่เคยสอนนะพิสูจทั้งหลายคู่บันลังตั้งายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหลับตาด้วยหลับตายังไม่มีเลยคําว่าหลับตาเนี่ยมันธรรมดานี่เองนะทําความรู้สึกตัวขึ้นมานะแค่เห็นร่างกายกําลังนั่งอยู่ร่างกายกำลังเคลื่อนไหว ร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าร่างกายยืนเดินนั่งนอนอยู่เวลา ย, ยืนเดินานั่งนอนท่านสอนเนี้ดูคราฟิกสูททั้งหลายเมื่อยืนอยู่ก็รู้ชัดว่ายืนอยู่สบายสบายไม่มีอะไรรู้ว่ายืนอยู่รู้ชัดคําว่ารู้ชัดหมายถึงอะไรไม่ใช่รู้ชัดๆนะรู้ชัดก็รู้ตรงๆเลยตามความเป็นจริงเลยอะไรยืนอยู่ร่างกายมันยืนอยู่นะไม่ใช่เรายืนนะร่างกายมันยืนอะไรนั่งร่างกายมันนั่งนะดูลมหายใจก็เห็นร่างกายมันหายใจ ร่างกายหายใจออกยาวก็รู้หายใจเข้ายาวก็รู้หายใจออกสั้นก็รู้หายใจเข้าสั้นก็รู้แล้วไปดูให้ดีนะท่านเริ่มจากหายใจออกก่อนที่สุดทั้งหลายเธอคู่บันลังตั้งกายตรงลำลดสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวให้รู้ว่าหายใจออกยาวทําไมหายใจออกออกก่อนพวกเราเวลาทํากรรมฐานเราหายใจเข้าก่อนนึกออกไหมอ้าวต่อไปนี้ภาวนานี่งานแรกนะต้องรีบหายใจเข้าก่อนกลัวขาดลมหายใจนะ พระเจ้ากับสอนหายใจออกยาวรู้ว่ายาวลองต่อไปนี้ลองเริ่มต้นด้วยการหายใจเข้าสิอ้าวหนึ่งสองสามหายใจเข้าทําสมาธิอพอจําสภาวะไว้นะลืมกรรมฐานก่อนยิ้มหวานเนี่ยหลวงพ่อให้ยิ้มเพื่อเบรกให้หลุดจากอารมณ์ที่ติดอยู่อยกมือไหน ย, ยกมือไหน อ, อ้ามือลงได้นะต่อไปนี้ไม่ต้องยิ้มหวานนะ หายใจออกแล้วรู้สึกสิแล้วก็ค่อยหายใจเข้าแล้วรู้สึกจิตไม่เหมือนกันดูออกไหมถ้าเริ่มด้วยหายใจเข้านะจิตจะแข็งแข็งนะแต่ถ้าเริ่มหายใจออกนะจิตจะคลายตัวออกนะมันจะสบายกว่ากันนะเนี่ยเคล็ดลับมันมีเยอะนะเรื่องอนาปน า, าสติอะหายใจออกไปใจมันจะผ่อนคลายใช่ไหมผ่อนคลายแล้วหายใจเข้าด้วยใจที่ผ่อนคลายไม่ไปเกร็งขึ้นมาอีกนะ หายใจไปด้วยความรู้สึกผ่อนคลายเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูฝึก อ, อย่างนี้นะร่างกายหายใจใจเป็นคนดูนะของโยมนี่โมหะแทรกล้วโยมที่ใส่แว่นเนะี่ยซึมแล้วเห็นไหมผิดตรงไหนผิดตรงรีบหลับตาหลับตาพักเดียวก็หลับจริงๆอะ่ะพระเจ้าไม่ได้สอนให้หลับตานะไปดูในพระสูตรไม่ได้พูดเรื่องหลับตาแต่ตามันหลับเอง พอจิตมันสงบหน้าตามันปิดลงมันเองแหลนะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ตาไปดูอะไรที่เกลื่ลืมตามปิดมันเองะ ใ, ใจมันตื่นนะแต่ถ้าเราเริ่มต้นได้หลับตานะเดี๋ยวใจก็หลับตามไปด้วยนะงั้นสังเกต ด, ดูพระพุทธรูปทุกองค์ลืมตากรนะะทั่งพระนอนอยังลืมตาเลยเห็นไหมนะงั้นเรารู้สึกตัวไว้นะที่พระพุทธรูปทุกองคเขาทําลืมตาเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของความรู้สึกตัว พยายารู้สึกตัวเนี่ยสำคัญที่สุดรู้สึกสบายสบายอย่าไปเพ่งถ้าเราทําได้อย่างที่หลวงพ่อบอกนะรู้สึกตัวสบายสบายไม่เพ่งถ้าไม่ถ้าไม่รู้สึกตัวเผลอไปอันนี้ย่อหย่อนไปถ้าเพ่งไวใจจะเครียดตึงเกินไปรู้สึกธรรมดาธรรมดานี่แล้วเห็นไปร่างกายหายใจใจเป็นคนดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูมันจะเห็นกายกับใจคุณละอันกันม่จะค่อยๆแยกออกจากกันเราเคลื่อนไหวเลยเรขยับนะ ร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูร่างกายหยุดนิ่งใจเป็นคนดูนะร่างกายมันเคลื่อนไหวไปมันเหมือนคนอื่ น, นเหมือนเราเห็นคนอื่นหัดให้มากๆนะหัดให้มากๆตรงนี้เป็นกระบวนท่ากรรมฐานเบสิกที่สุดเลยพื้นฐานที่สุดเลยคือฝึกจิตให้ถูกซะก่อนก่อนที่จะไปเจริญปัญญาจิตที่ถูกต้องเนะคือจิตที่ไม่สุดโตไปสองข้างข้างเผลอไปข้างหลงไปกับข้างเคร่งเครียดบังคับกายบังคับใจ เป็นจิตที่รู้เนื้อรู้ตัวเป็นธรรมชาติธรรมดาเด็กๆนะมีจิตที่เป็นธรรมชาติธรรมดานักกรรมฐานเนี่ยมีจิตที่ผิดธรรมชาติธรรมดาเคคิดถึงทำกรรมฐานที่ไรนะบังคับตัวเองเครียดเครียทุกทีเลยนั่นจิตอย่างเด็กนะดีที่สุดเลยเด็กๆนะจิตมันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลานะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดียวสุขเดียวทุกข์เคยเห็นไหมตอนนึกถึงตอนเด็กๆได้ไหมเราโกรธกับเพื่อนเคยโกรธเพื่อนไหมกล่าวว่าจะโกรธร้อยปีอะมาดีร้อยชาติเคยเป็นไหม โกรธร้ยปีอย่ามาดีร้อยชาติเลยเด็กชาติของเธอเนี่ยสั้นมากเลยไม่กี่นาทีก็ดีกันละใจมันเปลี่ยนตลอดเวลาเป็นธรรมชาติผู้ใหญ่มารยามากนะใจไม่เป็นธรรมชาติหรอกใจจะโกรธขึ้นมาก็ทํายิ้มโกรจะตายอยู่นี้ยิ้มไงเธอสบายดีเหรอไครจะตายสักทีเนี <laughs> อย่างนี้นะมันมารยานะเด็กเ่ยมันมีจิตใจที่เป็นธรรมชาติธรรมดาจิตอย่างนั้นเหมาะที่สุดสําหรับการทํากรรมฐาน เด็กร้องไห้ใช่หไหมเสียใจน้ําตาเปียกแก้มอยู่เลยแปบ๊บเดียวหัวร้อแล้วน้ําตายังไม่ยังเปียกอยู่เลยยังหัวเล้อได้แล้วความรู้สึกเปลี่ยนเด็กนั้นมีความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติแต่เด็กขาดสติไม่ไม่เคยรู้ว่าความรู้สึกของตัวเป็นยังไงนะส่วนนักกรรมฐานเนี่ยมีสติอะไรเคลื่อนไหวรู้สึกหมดเลยแต่ไม่มีอารมณ์ที่เป็นธรรมชาตินะมันแพ้เด็กตรงนี้นะส่วนเด็กมันไม่ดีตรงที่ไม่มีสติ งั้นเราเอาส่วนดีของเด็กมาคือมีอารมณ์มีความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติธรรมดาแล้วเราก็เป็นนักปฏิบัติที่ดีนะอย่าไปบังคับมันรู้สึกไปสบายๆ ส, สวมหัวใจเด็กไปแต่ว่ารู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจนเห็นร่างกายหายใจก็เห็นนะสิร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกไปร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนรู้สึกไปนะหรือความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในใจก็รู้ไปรู้สึกไป ความสุขความทุกข์เกิดในร่างกายก็รู้สึกไปนะตอนนี้มีความทุกข์ในร่างกายบ้างไหมมีเกิดขึ้นเนืองๆรู้สึกไหมนั่งแล้วขันบ้างยังใครเกาไปแล้วบ้างหลวงพ่อเห็นนะ <c oughs> <c oughs> เกาแทบทุกคนนะ่ะแต่บางคนเกาไม่รู้เลยว่าเกานะความทุกข์เกิดขึ้นแล้วเกาไปเรียบร้อยแล้วนะเปลี่ยนอิริยาบถมีการเกาเกิดขึ้น ยิรยาบทปิดบังทุกไหายขันนะสบายใจนั่งฟังต่อนีไม่รู้ทําไมเราต้องนั่งกระตุกกระดิกเพราะว่ามันทุกข์มันเมื่อยใช่ไห ม, มต้องนั่งบิดไปบิดมามันเมื่อยอ่ะนะถ้าเมื่อยมากๆก็ขยับแค่นี้ไม่พอต้องลุกขึ้นเดินต้อลงนอ น, นเปลี่ยนมากๆแน่นั่นั่งแต่ละคนนะนั่งกระยุกกระยิกกระยุกกระยิกตลอดเวลานะไม่เหมือนพวกเทพพวกพลมนะเวลาฟังเทศได้นั่งนิ่งเลย เขาไม่มีร่างกายแบบพวกเราร่างกายอย่างพวกเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่เจ็บปวดทรมานมากนั่งเดี๋ยวก็เมื่อยเดี๋ยวก็เมื่อยนะเคยนั่งสมาธิจนคอเคล็ดไหมหร <c oughs> ือเดินจงกรมนะไม่กี่นาทีเลยขาเคล็ดไปแล้วแต่เดินช้อปปิ้งหลายชั่วโมงไม่เป็นไรเพราะใรเดินช้อปปิ้งเนี่ยเดินเป็นธรรมชาติตอนเดินจงกรมวางฟอร์มมากไปเกร็งนะต่อไปนี้อย่าไปดักจริต ให้ร่างกายให้จิตใจนี้เคลื่อนไหวแล้วก็แค่มีสติรู้สึกไปเราจะเห็นว่าร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งนนะความสุขความทุกข์ก็อยู่อีกส่วนหนึ่งความดีความชั่วอยู use, ่อีกส่วนหนึ่งใจเราอยู่อีกส่วนหนึ่งจะค่อยๆแยกแยกแยออกไปถ้าแยกได้แล้วต่อไปแล้วปัญญามันจะเกิดละมันจะเห็นในร่างกายที่หายใจอยู่ไม่ใช่ตัวเราความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็เป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราโลบกรดหลงที่เกิดขึ้นนะก็ไม่ใช่ เป็นของแม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราอีกนะใจเองก็เป็นของบังคับไม่ได้เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเราสั่งใจของเราไม่ได้นะสั่งให้ดีมันก็ไม่ค่อยจะดีนะห้ามชั่วมันก็ขยันชั่วเคยตั้งใจจะไม่โกรธไหมว่าจะไม่โกรธไม่โกรธก็โกรธใช่ไหมห้ามมันไม่ได้ว่าจะไม่รักก็รักอีกล่ะอย่างสาวๆหนุ่มมันจีบเราก็รักมันนะมันเจ้าชู้ไปเที่ยเรียบราาที่อื่นนะเราก็ตั้งใจต่อไปนี้ไม่รักมันอีกแล้วล่ะ มันมาจงิงอสะพังเดี๋ยวก็รักอีกแล้วใจเนี่ยพลิกไปพลิกมานะมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของบังคับไม่ได้เนี่ยของจริงมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วร่างกายนี้จริงๆไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนาัตตาอยู่แล้วนะจิตใจเราถ้าสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วพราะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่แล้วเราแค่ไปเห็นของจริงในกายในใจเท่านั้นเองไม่ใช่ไปทําอันรรนี้จังทุกขังอนัตตาให้เกิดขึ้นนะมันมีอยู่แล้วแต่เราไม่เคยเห็น นั้นต่อไปนี้เรารู้สึกกายรู้สึกใจนะเราก็จะเห็นกายแสดงใจรัก์เห็นใจแสดงใจรักษณ์ได้การที่เห็นใจแสดงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเรานั่นแหละเห็นกายเห็นใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเรานั่นแหละนะคือวิปัสสนากรรมฐานนะปัสสนาว่าการเห็นวิภาะว่แจ้งเห็นอย่างแจ้งเห็นอย่างวิเศษเห็นตรงความเป็นจริงว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตางั้นอย่าใจลอยนะอย่าไปบังคับกายอย่าไปบังคับใจ ดูกายอย่างที่กายเป็นดูใจอย่างที่ใจเป็นนะแล้ววันหนึ่งเราก็จะเห็นนะร่างกายเป็นของไม่เที่ยงร่างกายเป็นทุกขมีความทุกข์บีบคั้นตลอดเวลาร่างกายเป็นแค่วัตถุธาตุไม่ใช่ตัวเราเหรอกมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาจิตใจก็เป็นของไม่เที่ยงนะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวก็อย่างน้นอย่างนี้นะแล้วก็สั่งไม่ได้บังคับไม่ได้นะไม่อยู่ในอำนาจบังคับเป็นอนัตตาถ้าเราเห็นกายเห็นใจ เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามากเข้ามากเข้านะวันหนึ่งจิตยอมรับความจริงกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นของไม่เที่ยงเป็นของบังคับไม่ได้เป็นของไม่ใช่ตัวเราวันใดที่เห็นว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เรานะจิตยอมรับตรงนี้ได้เนี่ยคือพระโสดาบันนะนั่นเป็นพระโสดาบันได้เพราะเห็นความจริงของกายของใจนี่แหละเราก็ดูกายดูใจต่อไปอีกนี่เห็นความจริงมากขึ้นมากขึ้นนะกายใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่เป็นก๊อธาต เป็นธาตุเป็นขันเท่านั้นเองนี่ยไม่มีเจ้าของแล้วมันเป็นอะไรนะมันเป็นตัวทุกข์นะปัญญาแก่รอบขึ้นจะเห็นไงกายนี่เป็นตัวทุกข์ทุกข์ล้วนๆตอนนี้พวกเรายังไม่เห็นว่ากายเป็นทุกข์ล้วนๆเราเห็นว่าร่างกายเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างนะเพราะฉะนั้นปัญญาเราไม่แก่รอบถึงขั้นที่จะปล่อยวางความยึดถือร่างกายได้เพราะเรายังไม่เห็นว่ากายนี้ทุกข์ล้วน เราเห็นว่ามันทุกข์บ้างสุขบ้างทําไมไม่เห็นว่าเป็นทุกข์ล้วนๆเพราะลืมมันเรื่อยๆเลยนะปวดเมื่อยขึ้นมาก็ขยับแล้วนะอะไรเกิดขึ้นก็รีบแก้ไขตลอดเวลาโดยอัตโนมัติมันไม่ทันเห็นเลยว่าทุกขนะ์นะค่อยรู้สึกอยู่บ่อยๆรู้สึกอยู่บ่อยๆเดี๋ยวก็เห็นหนักว่าร่างกายนี้ทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยนะผู้มีปัญญาก็เห็นว่าร่างกายนี้มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยคนไม่มีปัญญาก็ตอนที่ร่างกายทุกข์น้อยก็ว่าร่างกายเป็นสุข ถ้าเมื่อไร่เห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้นลนนะจิตจะหมดความยึดถือกายนี่เป็นภูมิธรรมของพระอนาคามีนะแล้วต่อไปมันจะเข้ามาที่จิตอันเดียวเลยตัวจิตซึ่งว่าเด่นดวงสว่างสวยมีแต่ความสุขนะต่อไปปัญญาแก่รอบไม่เห็นว่าจิตนี้เป็นทุกข์ล้นล้นเหมือนกันพวกเราตอนนี้รู้สึกไหมจิตใจของเราเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างรู้สึกไหมร่างกายก็สุขบ้างทุกข์บ้างเนี่ยยังไม่ใช่พระอนาคามิไม่ใช่พระอรหนันต์หรอก ยังไม่ได้เห็นตรงความเป็นจริงไม่เห็นทุกยังไม่เห็นทุกถ้าเห็นทุกจะเห็นในจิตนี่เป็นทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกว่ทุกข์น้อยกายนี้ก็ทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกว่ทุกข์น้อยถ้าเห็นได้ถึงจะวางได้ถ้ายังมีทางเลือกว่ายังมีสุขให้เลือกนะก็จะเลือกสุขรักสุขเกลียดทุกข์รักดีเกลียดชั่วอะไรวุ่นวายอยู่งั้นเองพอรักสุขเข้ามาก็ดิ้นรนหาความสุขดิ้นรนปฏิเสธความทุกข์ใจก็ยังดิ้นอีกนนไไม่่่่ถึงงงททีสุุดดแหกกรออยิ้ป นั้นหน้าที่เรานะคอยเรียนรู้ความจริงของกายของใจให้มากนะพระอรหันตนะ์ท่านหมดความยึดถือจิตนะสลัดคืนจิตให้โลกไปพระนาคขาท่านสลัดคืนกายให้โลกนะนั้นจะไม่เศร้าโศกไม่ยึดในตาหูจมูกลิ้นกายก็นะ ต, ตายังไม่ยึดเลยก็เลยไม่ยึดรูปไม่ยึดเสียงไม่ยึดกลิ่นไม่ยึดรสไม่ยึดผดถภาด้วยเมื่อไม่ยึดรูปเสียงกลิ่นรสผลถภากามและปฏิฆาไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลย เปนพระนาคาเนี่ยที่ว่าละกามและปฏิฆาได้เพราะท่านจำแจ้งในกายแล้วหมดความยึดถือในกายตาหูจมูกลิ้นกายในยสลัดขึ้นหมดเลยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องลงมือปฏิบัตินะต้องลงมือเรียนรู้ให้รีบลงมือเรียนรู้เสแต่วันนี้ถ้าใครยังไม่ได้ภาวนานะช้าไม่ได้นะเราไม่รู้ว่าพระพุทธศาสนาจะอยู่อีกนานแค่ไหนทุกวันนี้ถึงขนาดเตะพระกันแล้วนะ โชคพระกันกลางถนนนะใช่ไลุ่มซ้อมพระเล่นผ้าป่าสามัคคีกันกลางถน น, น <c oughs> เราไม่รู้นะศาสนาเราจะอยู่ได้อีกสักแค่ไห น, น, นก่อนที่ศาสนาเราจะหายไปนะรีบเรียนสะก่อ น, นถ้าหายไปแล้วเราจะทำยังไงเราไม่รู้จะทำอะไรแล้วแล้วก็วนเวียนอยู่ในโลกอันยืดยาวนี่ต้องรอพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้นะมีมาสอนกันได้ นี่เราเรีบเรียนสั ก, ก่อนที่ธรรมะจะหายไปเรียนรู้กายเรียนรู้ใจให้มากรู้สึกตัวขึ้นมารู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็นดูไปเรื่อยๆนะบางคนใช้เวลาไม่นา น, น, นก็เข้าใจแล้วละ่ะบางคนก็นานหน่อยความดื้อของแต่ละคนไม่เท่ากันพวกเราคนไหนรู้สึกตัวบ้าเป็นคนดือ้อมังมีไหมคนไหนดือ้อเอาคนไหนดื้อระดับดื้อโคตรๆมีไหมดื้อสุดขีดมีไหม ดื้อสุดจิตต้องนานหน่อยนะ <c oughs> กว่าจะหายดือ้อคนไหนว่าง่ายสอนง่ายใครพูดอะไรก็เชื่อมีไหมพวกนี้ไม่มีปัญญาเลยนะมีแต่ศรัทธาบรรลุไม่ได้เหมือนกันนะปัญญาไม่มีนะแล้วนะพวกปัญญากล้ามากนะคิดมากฟุ้งซ่านมากนะไม่มีความสงบของจิตของใจเลยก็ไปไม่รอดอีกนะธรรมะทั้งหลายต้องสมดุลกันนะศรัทธาก็ต้องมีนะ วิริยะก็ต้องมีสติก็ต้องมีสมาธิก็ต้องมีปัญญาก็ต้องมีมีให้สมดุลนะเพื่พัฒนาเข้าใจธรรมะเข้าใจธรรมะจิตจะคลายความยึดถือกายยึดถือใจเมื่อจิตไม่ยึดถือกายยึดถือใจนะอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยจะไม่มีความบันไหวไม่มีความยินดียินร้ายอะไรเกิดขึ้ น, นจิตใจมีความสุขนะพ้นจากการดินน้นรนพ้นจากความปรุงแต่งทั้งปวงไปฝึกนะ เอาสรุปง่ายๆนะรู้สึกตัวบ่อยๆนะรู้สึกตัวบ่อยๆร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกรู้สึกบ่อยๆอย่าใจลอยแล้วอย่าไปจ้องมันอย่าไปเพียงจ้องอย่าอย่าลืมมันแล้วก็อย่าไปเพียงจ้องมันนะมีร่างกายก็รู้สึกไปทุกวันต้องหัดหัดหายใจหัดดูร่างกายหายใจนะเอาแต่เป็นนี้ดูร่างกายหายใจอย่าไปดูลมหายใจนะ ดูร่างกายหายใจคือดูมันทั้งตัวดูด้วยใจสบายๆใจธรรมดาอย่างเนี้ยไม่ต้องทําใจขุึมๆซึมๆไม่ต้องซึมเป็นชื่อของส่วมไม่ต้องไปทำํำนะหายใจแล้วรู้สึกรู้สึกเอาเนี่ยรู้สึกไปมันสบายนะจิตใจมันจะอยู่กันเนืกับตัวมันสบายหายใจไปแล้วต่อไปเนี่ยร่างกายมันเคลื่อนไหว มันเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาหรอมันหายใจออกมันหายใจเข้าเห็นไหมร่างกายมันหายใจออกเห็นไหมร่างกายหายใจเข้าเห็นไหมร่างกายเคลื่อนไหวไม่ร่างกายหยุดนิ่งนะรู้สึกไปด้วยนะกายกับใจจะแยกกันแล้วต่อไปมันจะเห็นนะทุกอย่างเกิดแล้วดับทั้งสิ้นเลยนะโยมที่ใส่แว่นตาเนี่ยปิดการทาสมาธินะหลวงพ่อนะ่เล่นสมาธิตั้นแต่เจ็ดขวบเ่สมาธิเ็ชํานาญอยู่นะ คืออยู่22ปีเล่นคล่องเลยนะถึงแยกแยะสมาธิได้หลายชนิดสมาธิที่จิตไปสงบอยู่ในอารมณ์เดียวนะอันนี้เรียกว่าอารมณูปนิชานไว้ทำสมถะรถะฉ้นสิ่งที่ทำานีจะเป็นสมถล้วนสมาธิชนิดหนึ่งจิตถอนตัวออกมาตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูเห็นอารมณ์นะเกิดดับไปจิตเป็นแค่คนดูเรียกลักขณูปนิชานอันนี้ใช้ทาวิปัสสนานะฝ่ายปริยัตเนี่ยเขาแยกไม่ออก เขารู้ว่าสมาธิมีลักขณูปนิชฌานมีอารมณูปนิชฌานแต่เขาแยกไม่ออกว่าสองอันนี้ต่างกันยังไงนักปฏิบัติแยกได้แต่เรียกไม่เป็นนะในจริงไม่มีอะไรเราค่อยค่อยฝึกไปนะเราจะรู้ว่าสมาธิมีหลายแบบสมาธิอีกชนิดหนึ่งคือสมาธิที่ขาดสติอันนี้เป็นมิจฉาสมาธิเลยนั่งรับขาดสติลืมเนื้อลืมตัวเห็นโน่นเห็นนี่นั่งแล้วเห็นผีเห็นเปรตเห็นเทวดาเห็นจริงบ้างเห็นไม่จริงบ้างนะเห็นแต่ของข้างนอกไม่เห็นกายเห็นใจตัวเอง สมาธิที่ลืมกายลืมใจตัวเองเป็นวิชาสมาธินะสมาธิที่รู้สึกกายรู้สึกใจได้ถึงจะเป็นสมาธิที่ดีแล้วยังแยกออกเป็นสองชนิดสงบอยู่เฉยๆในอารมณ์มันเดียวนะเอาไว้ทําสมถะกับจิตตั้งมั่นเห็นอารมณ์เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทําวิปัสสนางั้นะสมาธิมีต้องหลายชนิดนะไม่ใช่มักง่ายเ อ, อะก็บอกต้องนั่งสมาธิถึงจะเกิดปัญญาสมาธิส่วนใหญ่ที่นั่งกันไม่ทําให้เกิดปัญญาหรอกทาให้เกิดโมหะนะยิ่งนั่งยิ่งซึมนะ งั้นต้องทำสมาธิให้ถูกนะสมาธิที่ถูกคือสมาธิที่รู้สึกตัวรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ใจจะค่อยๆถอยออกมาเป็นคนดูงั้นหัดด้วยการ น, นี้แหละดูร่างกายหายใจไปอานาปนาสติหมายถึง ม, มีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกไม่ใช่มีสติเพ่งลมหายใจนะหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกเลยรู้สึกสบายรู้สึกไปต่อไปไม่นจะเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูแยกขัน แยขันได้ถ้าต่อไปขันจะแสดงไจรักถ้าขันแสดงไจรักษนณะ้ขึ้นวิปัสสนาละเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีนับจากนั้นไปควรจะได้ธรรมะบ้างละโสดาสกตาคาอะไรนะควรจะได้บ้างนะแต่ถ้ายังไม่ขึ้นวิปัสสนาเอาแต่สมาธิสงบซึมๆึมแล้วกี่ชาติก็ไม่ได้หรอกมารผลคนละเรื่องกันนะต้องฝึกนะที่นี่แจกซีดีไหมคุณหมอเอาซีดีมาแจกยัง ไปไหนก็มีมาแจกนะอเออไปฟังนะอย่าเอาไปบูชานะอย่าไปแปะก้นช้างด้วยนะเอาไปฟังไปไหนก็แจกนะแจกซีดีแจกหนะังสือไม่เอาตังก์หรอกนะไปฟังฟังแล้วฟังอีกบางคนมมีอยู่แผ่นเดียวนะฟังฟังฟังนะซ้ำแล้วซ้ำอีกนะ หลวงพ่อกล้าท้าอย่างหนึ่งนะซีดีหลวงพ่อฟังหลายๆครั้งเนี่ยความรู้ความเข้าใจจะไม่เหมือนเดิมนะครั้งแรกฟังก็เข้าใจอย่างนี้ครั้งที่สองฟังเข้าใจอีกแบบหนึ่งนะความรู้ความเข้าใจมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยเรนะเพราะฉะนั้นฟังแล้วฟังอีกแล้ววันหนึ่งจะเห็นความจริงในกายในใจนี้แหละนะแล้วความทุกข์มันจะตกหายไปต่อหน้าต่อตาแล้วเราจะรักพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระริยาสงฆ์มีจริงๆ ถ้าใจเราเป็นพระสงฆ์ขึ้นมานะเราจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้เพราะพระพุทธเจ้าไม่เคยหายไปไหนเลยอยู่กับเราตลอดเวลาเลยะส่วนถ้าเราใจลอยไปลืมกายลืมใจไปพุโทโธหายพุโทโธก็คือจิตที่มันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานของเราหายไปพระพุทธเจ้าก็หายไปจากเราถ้าจิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวนะจิตใจเราสัมผัสธรรมะอยู่พระพุทธเจ้าอยู่กับเราแล้วะเราจะสัมผัสสิ่งที่สะอาดสิ่งที่บริสุทธิ์นะไม่เคยหายไปไหนเลย แล้วเทศแค่นี้พอสมควรนะต่อไปตรวจกันบ้านงานน้ำมัสการค่ะก็ปฏิบัติมาตามคําสอนของหลวงพ่อก็จะขอการบ้านหลวงพ่อค่ะออะไรนะขอการบ้านหลวงพ่อค่ะ <laughs> การบ้านมันมีแต่รู้สึกตัวรู้กายรู้ใจ <laughs> ขอกันไม่ได้หรอกกายของกายก็ของมันด้ย <laughs> จะถามว่าที่ปฏิบัติมานี่มีอะไรจะชี้แนะได้ไหมคะอย่างช่างคิดอยู่ อ, อย่างช่างคิดอยู่นะหรู้สึกเอาคอยรู้สึกไปใจเป็นสุขก็รู้ใจเป็นทุกข์ก็รู้นะใ จ, ใจโลภใจโกรธใจโลภคอยรู้ไปเรื่อยไม่บังคับมันไม่เปลี่ยนแปลงมัน<อ>รู้อย่างที่มันเป็นไปเรื่อยเดี<อ>๋ยวเราจะเห็นว่าทุกอย่างที่ผ่านมาในใจเรานี่เป็นของชั่วคราวไปหมดอนะ่ะเริ่มเห็นยังว่ากิเลสก็มาแล้วก็ไป เห็นไหมยังไม่ค่ยชัดคนั่นไงล่ะเห็นไหมเพราะยังคิดไม่เลิกออถ้ายังคิดอยู่นะจะไม่เห็นหลวงปูดโดนบอกคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็อาศัยคิดอาศัยคิดหมายถึงว่าเวลาที่เราคิดไปนะใจก็จะเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วขึ้นมาเราก็รู้ทันว่ามันสุขทุกข์ดีชั่วะแต่ถ้าเรายังคิดเอ๊ะตอนนี้สุขหรือตอนนี้ทุกข์ตอนนี้ดีหรือตอนนี้ชั่วคิดอย่างนี้จะไม่เห็นเนอะก็ ไปฟังซีดีนะแล้วสังเกตใจเราเรื่อยๆถ้าดูจิตไม่ออกให้ดูกายนะทำงานอะไรนะโยมค้าขายอยู่ค้าขายนะบางวันขายดีบางวันลูกค้าไม่มากมใช่ไม<ๆ>บางวันลูกค้ามากบางวันลูกค้าไม่มีเนะี่ยเราก็ดูไปใจเราแห้งๆ วันนี้ลูกค้าเยอะใจเราสดชื่นใช่ค่ะวันนี้เราเหนื่อยใะแย่แล้วลูกค้าไม่หมดสักทีชักําคาญนะเหนื่อยจะแย่แล้วเมื่อไหร่จะเลิกซื้อสักทีเนี่ยรู้ทันความรู้สึกของเรานเนี่ยค้าขายไปรู้ทันความรู้สึกไปนะลูกค้าจะมาดูของเราลุกขึ้นเดินไปคุยกับเขาเห็นหน้าลูกค้าคนนี้อุ้ยไอ้คนเนี้พูดมากต่อยังต่อตลอดเวลาไม่ค่อยซื้อมีไหมลูกค้ามีค่ะเห็นหน้าแล้วชอบไหมไม่ชอบเนี่ยเนี่ยหัดดูใจอย่างเนี้ย เห็นใหญ่คนนี้ปุ๊บเกลียดเลยใหญ่เนี่ยหมูก็ปูนมากไม่ซื้อหรอกคนะมาถึงก็มาติของเราตลอดเวลามีไหะมีค่ะเนี่ยไม่ดีอย่างนู้ม่ดีอย่างงี้นะะลูกค้าบางคนเราชอบรู้สึกไหยเห็นคนนี้มาเราพอใจเนี่ยยมไฟฝึกนะค่าขายเนี่ยรู้ทันใจของเราไปแล้วต่อไปนะเราไม่ต้องมีนางขวงนางควักหรอกพอเรารู้ทันใจนะใจเราสว่างสวัยนะใจเราเป็นกุศลมันนุ่มนวลนะ ใครใครเข้าใกล้เราก็มีความสุขยิ่งกว่านางกวักอีกเอเดี๋ยวนี้นางกวักมือเดี๋ยวไม่พอแล้วสังเกตไหมเริ่มมีนางกวักสองมือมันคล้ายๆปอบหยิบเพิ่มไปทุกทีแล้ เ, เห็นแล้วมันน่า ก, กลัวกวักเองอย่างนี้ไปดูใจตอนค้าขายนะลูกค้าไม่มีเลยใจแห้งเลยรู้ทันลูกค้ามาคนนี้มาชอบคนนี้มาเกลียด ร, รู้ทันไปอย่างเนี้ยไปฝึกออนี่แหละกรรมาฐานละ ถ้าเขาทําหลวงพ่ออย่างเวลาปฏิบ like ัติที่บ้านแล้วนะคะขี้โมโหไหมขี้โมโหเราคนขี้โมโหนะกรรมฐานที่หมองเราเรารู้ทันใจกระทบอารมณ์เงี้ยหงุดหงิดรู้ทันกระทบอันนี้หงุดหงิดอีกรู้ทันรู้เฉยๆนะไม่ห้ามนะคอยรู้ไปเรื่อยๆใจหงุดหงิดเมื่อไหร่ก็รู้หงุดหงิดเมื่อไหร่ก็รู้นะต่อไปเราจะเห็นในความหงุดหงิดมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปนะใจค่อยๆสบายขึ้นนะแล้วต่อไปกิเลสอะไรมามันก็เห็นเองแหละ อย่างนี้แหละค่ะแล้วสมมติเวลาเรานั่งอะค่ะบางครั้งรู้สึกว่าเราเพ่งหรือเปล่าเพ่งถ้าเพ่งเนี่ยนะใจจะแข็งแข็เครียดเครียดอย่างขนาเนี้เพ่งอยู่ใช่ไหมจะตึงตึงเครียดวิธีแก้คือต้องทำยังไงอะค่ะไม่แก้ให้รู้อย่างที่มันเป็นที่จริงแล้วการที่เพ่งเนี่ยนะเป็นเรื่องปกติของคนปฏิบัติทุกคนอะมือใหม่หัดปฏิบัติเนี่ยเพ่งทุกราย เพราะว่าจะพยายามบังคับมันนะเบื้องหลังของการเพ่งคือความโลภอยากดีอยากปฏิบัติอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้พออยากปฏิบัตินะก็เลยเปิดจ้องไว้ก็เลยกลายเป็นเพ่งถ้าเรารู้ทันใจที่โลภนะมันก็เลิกเพ่งไปเองแหละใจมันอยากปฏิบัติให้รู้ว่าอยากนะแล้วมันจะเลิกเพ่งแต่เบื้องต้นต้องเพ่งไว้ก่อนดีว่าหลงถ้าหลงไปนะเผลอไปลืมกายลืมใจไปเนะี่ย มีโอกาสไปอบายสูงถ้าเพ่งอยู่นะไปสุคตินะจะไม่ไปนิพพานดีกว่าไปอบายอันนี้พระพุทธเจ้าสอนมีเทวดาองค์หนึ่งนะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วไปทูลถามพระพุทธเจ้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ปฏิบัติอย่างไรเป็นข้ามอกะได้ข้ามพ่วงกิเลสได้พระพุทธเจ้าบอกดูก่อนเทวดา เราตาทาคตไม่พักอยู่และไม่เพียรอยู่เราข้ามโอกระได้โดยวิธีนี้เทวดาฟังแล้วงงเลยไม่พักไม่เพียรไม่พักก็ฟังรู้เรื่องใช่ไหมท่านบอกไม่ให้เพียรด้วยเทวดาเนี่ยคิดว่าตัวเองเป็นพระอรหัน์นะนล้จะมาแลกเปลี่ยนความรู้กับพระเจ้าพอเจอพระเจ้าตอบงี้งงเลยเลยลดทิฏฐิมานะขอให้พระเจ้ชาช่วยอธิบายหน่อยพระเจ้าท่านกอธิบายบอกดูก่อนเทวดาถ้าเราพักอยู่เราจะจมลงถ้าเราเพียรอยู่เราจะลอยขึ้น เราไม่พักเราไม่เพียรเราข้ามโอคาได้ด้วยเหตุนี้เทวดาได้โสดาเราได้อย่างฟังเหมือนกันยังไม่ได้ได้ธรรมดายัางไม่ได้โสดาธรรมดายากที่สุดยากกว่าโสดาอีกพระหการน่าธรรมดานอกนั้นผิดธรรมดาเท้งนั้นแหละพักอยู่ก็คือการปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสไปจะไปอภัยท่านบอกพักอยู่จะจมลง เพียนอยู่ก็คือคอยดูกายคอยดูใจบังคับกายบังคับใจควบคุมอยู่จะเครียดนะจะลอยขึ้นคือจะเป็นคนดีเป็นเทพเป็นลมไปนะนี่เพียนอยู่แต่ว่าเพียนอยู่ก็ได้แต่สุขตินะไม่ไปนิพพานก็ยังปรุงแต่งอยู่ให้รู้อย่างที่มันเป็นรู้อย่างที่มันเป็นรู้อย่างที่มันเป็นคือไม่พักกับไม่เพียนต่อไปนี้มันเพ่งอยู่รู้นะมันเผลอไปรู้ แล้วก็ลดความอยากอยากปฏิบัติอยากดีอยากบรรลุยังมีความอยากอยู่ยังไงก็เพ่งนะแต่ว่าเพ่งไว้ก่อนดีกว่าเสือไปเลยอย่างน้อยไปสุขติได้นะอ้าต่อไป น, นักวิทการครับหลวงพ่อส่งการบ้านครั้งแรกครับก็สังเกตไหมว่าจิตเราเดี๋ยวนี้กับแต่ก่อนไม่เหมือนกันดวกว่าไหมดุกครับเออสังเกตไหมว่ากายกับใจมันเริ่มแยกกันได้ครับเอ นะทําสูกแล้วล่วะเอแต่หลังๆมาเนี่ยยิ่งจากเดิมเนี่ยปฏิบัติได้สักเป็นชั่วโมงอย่างเงี้ยครับออแต่ตอนนี้พอสักสิบห้านาทียีสิบนาทีก็รู้สึกอึดอัดแล้วครับทําไมล่ะไม่รู้ลองทําให้หลวงพ่อดูสิที่ว่าสิบห้านาทีอึดอัดนบังคับมันก็อึดอัดสิ่ครับผมนะหายใจเล่นๆต่อไปนี้เปลี่ยนวิธีซะครับเห็นตัวนี้หายใจเล่นๆแล้วไม่ต้องทํานานเอาสิบห้านาทีพอครับนะ เบื้องต้นเน่ยอย่าทำเยอะแล้วพาใจมันสบายต่อไปมันเพิ่มเวลาของมันเองถ้าเริ่มต้นจะเอาเยอะๆมเครียดทําให้สบายนี่ทําให้สบายนี่ทําด้วยการบังคับจิตอย่าไปบังคับมันหายใจเล่งๆก่อนจะทํากรรมฐานให้ไหวพร้าส่วนมวนคิดถึงพระเจ้าอะไรนะครับเอแล้วก็ก่อนจะนั่งก็ยิ้มสติีนึ่งก่อนเอายิ้มหวานเนี่ยใจมันคลายออกแล้วรู้สึกไหมใจคลายออกแล้วก็หายใจไป ถ้าดูล่างกายมันหายใจไปมันจะไม่เครียดหรอกแต่ถ้าเป็นจ้องเอาจ้องเอานะ่จะเครียดอจากเดิมเนี่ยผมดูที่ท้องพองยุบนะครับแต่ว่าหลังๆมันรู้สึกอึดอัดก็เลยมาเปลี่ยนมาใช้ดูลมหายใจครับคุณถ้าดูท้องเพ่งท้องก็อึดอัดนะถ้าเพ่งลมหายใจก็อึดอัดมันเหมือนกันนะแทนที่จะไปเพ่งมือนนั้นค่แค่แคดูถ้าจะดูท้องพองยุบนะอย่าไปดูที่ท้อง ให้ดูทั้งตัวเนี่แหละแล้วเห็นร่างกายมันพองเห็นร่างกายมันยุบถ้าจะดูลมหายใจก็อย่าไปดูที่ลมหายใจให้ดูทั้งตัวเนี่ยแหละแล้วเห็นร่างกายหายใจอย่างนั้นจะไม่เครียดหรอก <Okay. S 1> ลองทําดูสิ <Okay. S 1> เอาละเอาละเริ่มจ้องแล้วรู้สึกไหมถลํา ล, ลงไปจ้องครับเ <Okay. S 1> อตรงนี้แหละที่ผิดหรอกทให้เครียดนะยิ้มหวานก่อนเมื่อกี้ลืมยิ้ม เออเนี้ยใช้ใจอย่างเนี้ยใจที่คลายตัวอย่างเนี้ยนะแล้วก็หายใจไปดูเล่นเล่นเห็นตัวนี้หายใจเล่นเล่นไปอย่าเอาจริงนะเคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้แหละเอาพี่ทำสอนใช่ไหมอันนพี่ทำสอนบอกว่าความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิไม่ต้องมีความสุขใจถึงจะมีสมาธิพวกเราชอบกลับหัวกลับหางนะเราคิดว่ามีสมาธิแล้วมีความสุขสมาธิอย่างกระดับชานแปดชานนะ สมาธิที่มีความสุขสามชั้นแรกนะห้านหลังเนี่ยเป็นอุเบกขานะงั้นสมาธิยิ่งสูงไปยิ่งเป็นอุเบกขานะไม่ใช่เป็นความสุขแต่ความสุขถ้าหากทาให้เกิดสมาธิอย่างเรามีความสุขในการเล่นไพ่เราจะมีสมาธิในการเล่นไพ่ตารวจมาสกิดแล้วอย่ายุ่งนะ <laughs> มีความสุขเพราะฉ <c oughs> นั้นเบื้องต้นยิ้มหวานก่อนเนี่ยแล้วหายใจเห็นร่างกายหายใจไป เราอย่างเนี้ยแล้วเดี๋ยวจะมีความสุขแล้วครั้งนี้ยนั่งเป็นชั่วโมงก็ได้นะแล้วมันก็ค่อยแยกอย่าไปให้ติดอยู่ที่สุขนะมีความสุขเพื่อคลายใจออกให้ใจเป็นคนดูถัจากนั้นถึงจะมาเดินปัญญาแยกขันไปขันก็แยกเป็นละอ่ะต่อไปกรรบูชาครับหลวงพ่อครับขอถวายการปฏิบัติเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆ บ, บูชาและอาจาริยบูชาสาธุสาธุหลวงพ่อครับก็ ปฏิบัติมาได้สักพักอนึ่งแต่สติมันไม่ค่อยทันวะจ้าโทสศัมันเึ้นครับก็ก็ทราบแต่มันไม่ทันนะหลวงพ่อทันไม่ทันก็ไม่ทันถืออยากทันมันก็ไม่ทันหรอกนะฝึกบไยๆแล้วก็สติค่อยเร็วขึ้นเร็วขึ้นทันโทรศัพท์มันขึ้นปุ๊บงี้นเราไม่ทันมันให้เรารู้เอาทันก็ทันไม่ทันก็ไม่ทันกลัวอะไรไม่ทันอย่างมากก็ตกนรก ก็ตกมาตั้งเยอะแล้วไม่กลัวอะไรมันครับครับขอบคุณครับคุใจถึงถึงสินะพระเจ้าสอนดูครับพิสูจทั้งหลายจิตมีโทสารู้ว่ามีโทสะไม่ได้บอกว่าพิสูจน์ทั้งหลายห้ามมีโทสะเราไม่ได้บอกกั้นนะไม่ได้บอกว่าพิสูจน์ทั้งหลายพอโทสะเกิดแล้วรีบละเร็วๆไม่ได้สอนอย่างนั้นมันทําง่ายๆที่พระเจ้าสอนง่ายมากนะทําอย่าให้เกินที่ท่านสอนอย่าให้ขาดด้วยเอาว่ามา วันนี้เพ่งอยู่หรือเปล่าจะคุยกับหลวงพ่อแล้วเกร็งไหมรู้สึกไหมเกรงค่ะเออเกร็งให้รู้ว่าเกรงค่ะก็ใจลอยหรือยังใจหนีไปคิดคําถามเห็นไหมอ้าวถามได้หนูปฏิบัติเราก็เห็นว่าใจชอบเสพอารมณ์อะค่ะแล้วพอแล้วพอก็ดูไปเรื่อยๆว่าเออเดี๋ยวอยากฟังเดี๋ยวอยากดูเดี๋ยวอยากกินเดี๋ยวอยากทำนู่นทํานี่เสร็จแล้ว ดูไปเรื่อยๆแล้วมันก็เกิดความเบื่อค่ะหนูเห็นความเบื่อแล้วก็อพอมานั่งเคยได้ยินประโยคนี้ไหมเพราะเห็นตางความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเราจะไปกลัวอะไรมันต้องต้อ ง, องเบื่อพอเบื่อแล้วดูต่อไปแล้วไม่โทสะมันแทรกคือใช่เหมือนจะต้องต้องมีอารมณ์มาตลอดเวลาค่ะอารมณ์ไม่เคยขาดจากจิตนะใช่ค่ะมีจิตก็ต้องมีอารมณ์เป็นของคู่กันนะ เพราะฉะนั้นเราจะไปหวังว่าจะไม่มีอารมณ์เนี่ยไม่ได้ค่ะแต่แตว่ามั น, มนพออารมณ์เราก็ทุกอย่า ง, งคะ่ะเห็นเห็นทุกอารมณ์อารมณ์กับจิตมันจะไปรวมกันเข้ามันก็ทุก <c oughs> ถ้าอารมณ์ก็ส่วนอารมณ์จิตก็ส่วนจิตนะก็ไม่ทุกข์หรอกค่ะแล้วพอมานั่งสมาธิอะคะ่ะตอนกลางคืนก็จะแรกๆเนี่ยก็จะรู้สึกตัวแต่พอนั่งนั่งไปเรื่อยๆก็จะจะหลับทุกทีเลยแล้วจะเป็นอย่างนี้ทุกวันมันเหนื่อยไปแล้วล่ะนะต่อไปเปลี่ยน ตื่นให้เร็วขึ้นแล้วทําแต่เช้าต้องเปลี่ยนใช่ไหมเปลี่ยนเวลาสี่กลางคืนเราหมดแรงแล้วไปทํางานหรือไปเรียนหนังสืออะไรจนหมดเลี้ยหมดแรงแล้วนะค่ะมานั่งสมาธิเดี๋ยวมันก็หลับตัวนิ่ะจิตรวมเรียกจิตรวมรวมอะไรรวมกับโมหะแล้วมันจะเป็นอย่างนี้เหมือนพอตอนแรกก็รู้สึกตัวแล้วพอมาถึงจุดหนึ่งก็จะเข้ามาอย่างนี้ตลอดเลยค่ะจะผ่านไปได้ถ้าถึงอย่างนี้ยก็ลืมตาขึ้นมากระดุกระดิกไปค่ะะน หลวงพ่อแต่ก่อนมีพัดอยู่อันหนึ่งนะเนี่ยไม่มีทางหลับหรอกถ้าหลับเมื่อไหร่พัดก็หลุดมือตกแล้วขยับไปเรื่อยคือเราทํางานมาทั้งวันเราเหนื่อยคให้มานั่งนิ่งๆก็หลับสิไมาต้องเคลื่อนไหวนี่จะให้เราเดินอีกนะเราก็เดินมาทั้งวันเราเดินไม่ไหวนลนั่งขยับพัทอย่างนี้แหละหลับเมื่อไหร่พัดก็หลุดเมื่อนั้นก็ตื่นพัดใหม่ ก็ขอน้อมการปฏิบัตินะคะถวายเป็นพุทธบูชา อ, อ, อาจาริยาบูชาค่ะสาธุสาธุนะชอบมากชอบให้ลูกศิษย์ปฏิบัตินะถ้าสอนแล้วไม่ปฏิบัติเราก็ชี้เหยียดสอนเหมือนกั น, นรับประการหลวงพ่อครับผมส่งการบ้านครับคือหลวงพ่อให้ไปไปแยกธาตุแยกขันผมปฏิบัติถูกไหมครับแล้วเห็นไหมกายากับใจก็ละอันก็ เห็นเป็นบางครั้ง<ล>างงเห็นความรู้สึกกระใจต่างแยกกันไหมสุขทุกข์ดีชั่วไม่ใช่จิตดูออกไหมอันเนี้ยพอดูออกถนัดดูจิตมากกว่าดูกายก็ดูจิตไปนะเห็นความรู้สึกอะ่ะเช่นความโกรธมันมาแล้วมันก็ไปความโลภมันมาแล้วมันก็ไปนะดูบ่อยๆของยอมอย่าไปเพ่งนะครับดูสบายๆดูความรู้สึกที่มันเปลี่ยนแปลงไป ครับคือดูไปช่วงระยะนานแล้วเวทนาจะเกิดมากเพราะเวทนาเกิดมากทีนี้ก็จะจะแยกชักไป่อยออกแล้วเพราะเวทนาเข้ามาเบียดไว้อ๋อเวทนาจริงๆเป็นของที่ควรหัดนะต้องแยกระหว่างกายกับเวทนาแยกจิตกับเวทนาค่อยๆฝึกทุกวันได้ยิ่งดีเวลาที่เราจะตายเนะี่ยเราไม่รู้ว่าเวทนาจะแรงแค่ไหนนะเราไม่รู้มันเราต้องซ้อมแยกเวทนาไว้ แต่ว่าอย่างเรานั่งไปแล้วปวดมากนะปวดมากจนกระทั่งแยกไม่ไม่ได้แล้วเราก็เปลี่ยนอีริยาบตซ ะ, ะให้เวทนามันเบาลงหน่อยล้วก็ดูใหม่แต่ซ้อมไปเรื่อยๆต่ไปเราชนานาญนะกายกับเวทนาจะขาดออกจากกันครับพวกเราฝึกให้ได้นะให้แยกความทุกข์กับร่างกายทั้งคนละส่วนกันนะถ้าฝึกตัวนี้ได้เนี่ยเราจะพบความแปลก อย่างหลวงพ่อเคยเจอผู้หญิงประเภทมีรอบเดือนนะปวดมากเลยปวดแบบจะติ้นเลยแนละ้วต้องกินยาต้องอะไรเนี่ยพอสอนให้ภาอนาเขาเห็นในร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งความเจ็บปวดอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งความเจ็บปวดเนี่ลดลงไปเยอะเลยแล้วเขาฝึกไปเรื่อยนะแล้วบางคนเป็นมะเร็งนะคนรุ่นเราเนี่ยเป็นมะเร็งเยอะมากเลยนะถ้เาเป็นมะเร็งเนะี่ยปวดมาก แล้วเขาสามารถแยกได้ร่างกายก็ส่วนหนึ่งนะความปวดก็ส่วนหนึ่งจิตก็ส่วนหนึ่งไม่ต้องให้หมอฟีดนะนะไม่ต้องให้นะให้น้อยมากเลยหมอจะให้บอกไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่าจะสติไม่ดีเดี๋ยวเบลอไม่จาเป็นเนะีเนะี่ยเขาฝึกของเขานะความเจ็บปวดที่เรารู้สึกรุนแรงเนี่ยเพราะเราไปเติมความรู้สึกเข้าไปถ้ามันเจ็บปวดจริงๆแท้จ ร, ร, ร, ริงของความเจ็บปวดนะั้นจะไม่มากเท่าไหร่หรอก แต่พอเราไปกลัวมันมนะหรือใดมันใจทุรนทุรายมันยิ่งเจ็บหนักเข้าไปใหญ่ค่อยฝึกนะต้องสู้ต้องสู้เอานะเราไม่รู้ว่าวาระสุดท้ายของเราจะเจ็บหรือไม่เจ็บบางคนมีบุญไม่เจ็บมั้บางคนมันเจ็บต้องสู้เอาค่อยฝึกอนะ่ะฝึกตั้งแต่ยังเจ็บไม่มากแต่ไม่ใช่ทรมานกายนะหมายถึงสูงว่ามันปวดจริงๆรงแข่งขาจะหกักเราไม่ไหวแล้วลูกเขึ้นเปลี่ยนอียาปดไป ไม่จำเป็นต้องทรมานมากขนาดจนสติเสียไปนะถ้ายัางรู้สึกได้ยังแยกขันได้ก็ดูไปถ้าไม่ไหวแล้วไปพลกันมั่วแล้วก็เปลี่ยนอิเียบทไปนมาส ก, การหลวงพ่อค่ะคือครั้งนี้ส่งกันว่าหลวงพ่อเป็นครั้งแรกก็ปฏิบัติมาประมาณเดือนกว่าก็ปกติจะนั่งสมาธิอะค่ะ ก็ช่วงแรกๆที่จะนั่งสมาธิมันก็จะรู้สึกเหมือนตัวเองตั้งท่าตั้งท่าจะนั่งก็ก็เลยถอยออกมาออแล้วก็ช่วงที่นั่งอยู่มันก็บางทีจะรู้สึกว่าเพ่งก็รู้ว่ามันเหมือนแข็งๆอ่ะก็เลยถอยออกมาแล้วก็ส่วนใหญ่มันจะมีคิดแล้วก็ปนกับเมือแล้วก็เพ่งอะไรเงี้ยสลับกันไปอะ่ะรู้อย่างนี้แหละนะจนกระทั่งไม่ค่อยๆแยกขันออกไป ก็สังเกตไหมว่าขันมันเริ่มแยกแล้วสังเกตไหมว่าตัวที่สายหน้าเนี่ยเป็นสิ่งที่จิตไม่รู้เข้าเนี่ยขันมันแยกนะกายกับใจแยกอันนี้คือแยกแล้วหรอแยกแล้วแยกแล้วแต่เราไม่รู้เออแยกแล้วเราไม่รู้ว่ามันแยกเรียกว่าดีเราไม่รู้ว่าดีเห็นไหมว่าความรู้สึกกับจิตก็คนละอันกันนั่นแหละมันแยกขันละนะสุขทุกข์ดีชั่วโคนละอันกับจิตนั่นแหละเราแยกขันเป็นละ นี่ในเวลาหนึ่งเดือนเนี่ยมันที่หลวงพ่อบอกเดือนหนึ่งอ่ะหลังๆนะหลวงพ่อสอนลูกศิษย์นะเร็วขึ้นเรื่อยๆนะพวกที่เรียนเก่าๆรุ่นแรกๆเนี่ยจะเรียนช้ากว่านี้เยอะเลยหลังๆเรียนเร็วพระหลวงพ่อสอนตรงไปตรงมามากขึ้นนะและอย่างพวกที่เรียนกับหลวงพ่อแรกๆเนี่ยมันเคยเห็นหลวงพ่อตอนเป็นโยมสอนอะไรนา่นก็เหมือนเหมือนกันว่าเคยกระทบไหลกันมาอะไรอย่านงั้นพวกที่เรียนทีหลังเราเห็นหลวงพ่อเป็นพระสอนอะไรมก็ฟังนะ คำนาง่ายแป๊บเดียวก็เป็ดแล้วไปขันแยกแล้วขันแยกแ ล, ล, ล้วค่อยรู้ไปนิสัยพื้นเราขี้โมโ ห, โหใช่นะเอใชจมันขี้โมโหก็รู้เอานะค่ะเอออยู่เถียงพ่อเถียงแม่แล้วก็เมื่อกี้ว่าจะถามหลวงพ่อว่าปกตินั่งสมาธิไม่จําเป็นจะต้องหลับตาได้ใช่ไหมค่ะได้เมื่อกี้หลวงพ่อตอบไปแล้วได้แต่ว่าพอจิตมันสงบมันตามันปิดเอง เพราะว่าตอนลืมตามันเหมือนสบายกว่าแล้วพอมันพอมันมีสมาธิสักนิดหนึ่งเราก็จะหลับตาเออทําทอย่างนั้นนะของคุณทําทสมาธิให้ได้ทุกวันได้จะดีะนะเพราะสมาธิอ่อนใจมันฟุ้งเก่งนะฝึกแต่สมาธิเป็นของต้องฝึกแต่ว่าระหว่างวันคือจะยังจเจริญสติประจําวันไม่ได้ต้องต้องฝึกนะฝึกในรูปแบบให้ชํานาญแล้วตอนออกมาอยู่ในชีวิตประจําวันถึงจะทำได้ เวลาเราซ้อมในรูปแบบเนี่ยมันคล้ายๆทหารซ้อมรบอยู่ในชีวิตประจําวันเหมือนเข้าสนามรบจริงๆแนละ้วต้องซ้อมรบให้ชํานาญแล้วเวลาเราทําในรูปแบบเนี่ยเราไม่ได้ใช้ตาใช้หูใช้จมูกใช้ลิ้นเห็นไหมเหลือแต่กายกับใจเหลือจอิตตานะ2เวลาอยู่ในชีวิตจริงเราใช้6อันตาหูจมูกลิ้นกายใจใช้หมดเลยเพราะมันทํายากกว่าดังนั้นถ้าใครปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้นะเก่งกว่าพวกที่ปฏิบัติใต้ในรูปแบบนะ แต่ว่าถ้าไม่ทําในรูปแบบเลยจะไม่มีแรงทําในชีวิตประจําวันคแต่ถ้าทําเก่งเฉพาะในรูปแบบในชีวิตประจำวันทําไม่เป็นนะยังอ่อนนักนะนยากที่สุดคือตอนอยู่ในชีวิตธรรมดาเนี่ยแหละเพราะว่าผัดษาเข้าทั้งหกช่องเลย เ, เวลาผัดสะเข้ามาหกช่องทําไงดีโยมที่ใส่แว่นตาส <laughs> ัมรสมองยังไง <laughs> <laughs> เออตอบถูก ใะนไหมมีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีใจก็คิดแต่ตาดูหูฟังใจคิดหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสนะเกิดสุขให้รู้เกิดทุกข์ให้รู้เกิดดีเกิดช่วยให้รู้รู้อยู่ที่จิตนเองรักษาอยู่อันเดียวนี่มีสติคอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตนี่แหละเรียกว่าการปฏิบัติในชีวิตประจําวันเปิดมันทั้ง6ช่องเลยแต่รักษามันอันเดียว ไม่ใช่มีตาก็ไม่ดูมีหูก็ไม่ฟังนะบางคนนะสํารวมอินทรีย์คือไม่ดูอะไรดูมันอยู่แค่เนี้ยถ้าอย่างนั้นไปตาบอดซะเถิดถ้าสํารวมอินทรีย์คือไม่ดูนะคนตาบอดมันรู้พผ้รหันเร็วกว่าเราถ้าสารวมอินทรีย์คือไม่ฟังนะพวกหูหนวกก็มันรู้เร็วสิมีตามีหู <c oughs> ก็ถือว่ามีบุญแล้วนะมีตาที่ดีมีหูที่ดีเป็นวิบากที่ดีให้ผลมาถึงได้มีอย่างนี้แล้วก็เอามาต่อยอดเนาะ ให้มันกระทบอารมณ์ไปแล้วก็เกิดสุ ข, สขเกิดทุกข์เกิดกกดีเกิดชั่วขึ้นที่จิตนะรู้ไปจะเห็นว่าทุกอย่างชั่วแคล่วนะหน้าต่อไปนวัตการหลวงพ่อคือผมกังวลใจว่าผมปฏิบัติผิดทางบางอย่างบ่เพราะว่าอย่างจิตเมื่อกี้เนี่ยที่น้องคนนี้ถามอ่ะมันเตือนเด้นเครียดแล้วผมก็รู้ตัวเวลาระยะระยะเรายัางแท้แสง คือผมจะไปเพ่งมันใช่อบแทรกแซงมันอยู่แล้วก็บางครั้งอย่างแบบเนี้ยเมื่อกี้ตอนคิดแบบเนี้ยมันตื่นรู้ขึ้นมานิดนิดแบบผมก็รู้สึกว่าอขณะที่ตื่นรู้อะเวลามันสั้นเกินไปเราอย่าไปเอาที่ได้แค่ไหนแค่นั้นแล้วปัจจุบันจะสั้นนิดเดียวถ้ายาวไม่ใช่ปัจจุบันออครับมันเป็นขณะขณะขณะเท่านั้นเอง เนี่ ย, ยผมกังวลว่าผมปฏิบัติผิดทางหรือเปล่ า, ายัางชอบเพียงอยู่นะโอ้โคลายการเพียงออกก็ปล่อยให้ตาหูจมูกลิ้นกาใจกระทบอารมณ์นะครับกระทบแล้วจิตเปลี่ยนแปลงอะไรก็รู้เอาขออีกหนึ่งคำถามว่าตอนที่ผมฝึกสมาธิประจำวันนะตอนตอนคําอะเงี้ยก็ปล่อยสบายๆให้มันมีความสุขไปแล้วสักพักนึงอะ่ะมันก็ตือดโลขึ้นมา ตรงนี้คในขณะนั้นเน่ะผมแก้ทางว่าอยากให้ภาวะที่ตั้งมั่นตอนนั้นน่ะมันนานขึ้นผม่าใช้วิธีทำาสรมถะเอาไปเสริมอ่คือผมมีแนวคิดว่าจะขยายเวลาที่จิตตั้งมั่นเนี่ยให้มากขึ้นด้วยการทำารรมถะผิดจะได้นะคิด่ไม่ถูกหรอกอ๋อครับ่ถึกหลอนะฝึกสมาธิให้จิตตั้งมั่นมันก็อันหนึ่งนะฝึกสมรมถะมันก็อันหนึ่ง สรุปแล้วที่ผมคิดว่าธรรมะมันจะไปเสริมให้สมถานทําให้จิตใจมีเรี่ยวมีแรง<อ>นะครับส่วนจะตั้งมั่นหรือเปล่ามีแรงแล้วกระโดดลดเต้นไปอย่างอื่นก็ได้<อ>จะตั้งมั่นหรือไม่ตั้งมั่นอยู่ที่รู้ทันจิตที่เคลื่อนไปนะหลวงพ่อนะตั้งแต่เป็นโยมนะหลวงพ่อได้ตัวรู้จิตนี้ตั้งมั่นขันแยกอยู่นั้นตลอดทั้งวันอนะไม่ได้รักษาแต่ว่าคล้ายๆช่วโมงบินมันเยอะ อย่างไรถ้ามันตั้งโดยไม่ได้เจตนาถ้าตั้งโดยเจตนานะตัวรู้นี่ผิดเลยตัวรู้ยังมีสองอันนะตัวรู้ที่ถูกเนี่ยมันเป็นธรรมชาติธรรมดามันเบาอ่ อ, อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานนี่เราไปเคยเห็นตัวรู้ที่ถูกเราไปจับมันได้เราจงใจทําขึ้นมาตัวรู้นี้จะแข็งแข็งขอคุณตัวรู้แข็งอยู่มันผิดผิดจริงครับคือตอนที่ผมรู้ว่าผิดมันถูกขึ้นมานิดหนึ่งใช่เมื่อไหร่รู้ว่าผิดเพรนั้นอะูก แต่ว่าถูกที่ลักคณะอย่าไปกลัวว่าน้อยไปนะชั่วช้างกระดิกหูแรบดินได้บุญเยอะแล้วล่ะครับขออีกหนึ่งคำถามับเอาไว้ให้กับลูกศิษย์ผมนะคืออย่างเหตุการณ์ที่เกิดกับผมจริงๆเมื่อคืนเนี่ยว่าเวลามันเกิดโถสะรุนแรงครับผมก็ไปรู้ว่าคิดช่วยบางที่พวกนักจิตวิยาปัจจุบันเรียกว่าคิดบวกอะไรเงี้ยนะครับผมไม่ควารู้สึกว่าอวิธีแบบเนี้ย มันบางครั้งมันออกไปในทางแนวอากุศแลแต่ ว, ว่าตามด้วยอ่สุขเวทนาใช่ไหมครับผมสุขเวทนาเกิดกับอากุศลจิตได้<ะ>เกิดได้แล้ ว, ล ว, ล ว, ลวผมก็บอกลูกศิษย์ไปลูกศิษย์เวลาเจออย่างเงี้ยเาปรึกษาผมก็บอกเลยว่าก็ไม่ต้องทำอะไรก็ดูๆไปอย่างนี้แน่ถู่นะครับ <ś les> มันไม่ใช่ไม่ทําอะไรเลยศีลก็ต้องรักษาใช่ไหมศีลอย่อมกับย่อมเขาว่าโอเคไว้ทุกวันต้องปฏิบัติในรูปแบบเนืก็ <ś les> ต้องทําอยู่ในชีวิตจํายาก็ไม่ใช่ปล่อยใจเลื่อนลอยต้องคอยมีสติรู้เท่าทันจิตไปก็มีงานเหมือนกันตรงที่ไม่ต้องทํางานนะมันเป็นอัตโนมัติเขาต้ออาศัยการฝึกในเบื้องต้นที่จงใจไปก่อนนี่แหละ จนวันหนึ่งสติสมาธิปัญญาไม่อัตโนมัตินะมันทําเองตอนนั้นตอนที่มันยังไม่อัตโนมัติเราก็ต้องช่วยมันกันต้องขยันทําแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าสมมติว่าคนวันนี้ปฏิบัติมาเขาบอกเขาบอกว่าไม่เอาแล้วเขาจะไม่ยุ่งไม่ปฏิบัติแล้วไม่เห็นได้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราจะดูยังไงครับเนี่ยก็ปฏิบัติผิดสิถ้าปฏิบัติถูกไม่มีใครถอยเลยอ๋อครับผมเนี่ยง่ายมากเลยนะ บอกต่อไปนี้ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วโทรษาแทกแล้วค <c oughs> ขอบคุณมากครับอาจารย์เนอย่าไปบังคับจิตนะยังติดเพ่งอยู่ <c oughs> รู้สึกไ้มว่าตัวรู้มันเที่ยงไปรักษาตัวนี้มันยังเหลืออยู่ตัวกับ <c oughs> นมำมศการเจ้าคะ่ะเ อ, อยังตื่นเต้นที่ส่งกันบ้า <c oughs> ธรรมดานะใครเจอหลวงพ่อก็ตื่นเต้น <c oughs> เออคืออย่างนี้ค่ะที่ปฏิบัติภาคหลังๆเนี่ยรู้สึกว่ามันแน่ๆนๆเลยค่ะอืมันจงใจไปเพ่งมากไปใช่ไหมเพ่งมากไปไไจเจริญเมตตาไหมค่ ะ, จะเจริญเมตตาไว้นะใจจะคลายอาอกอก็คือแต่ว่ารู้มากขึ้นน่ะพอโกรธก็รู้ว่าโกรธ ม, ม, มันก็คือจะไม่ขมขมใช่ไหมถ้าขมไว้ใจจะเครียดอเหมือนไม่ใช่ว่าแค่รู้ว่าโกรธมันอยากให้หายโกรธด้วย ใช่ค่ะหรือมันกลัวก็กลัวแล้วเดี๋ยวไปทําอะไรไม่ดีเลยจ้องเอาไว้เจ้าค่ะนะคลายๆออกแล้วรู้ไปจะเลยเมตตาไปนะแล้วถ้าเราทําในรูปแบบน้อรู้สึกว่ามันเมื่อยมันอะไรมันคันเราขยับเกาอะไรอย่างนี้ได้ได้ไ ด, ได้นะเจ้าค่ะคือจะขยับหรือไม่ขยับเนี่ยดูว่าเราจะทํำกรรมฐานหมวดไหนะนะถ้าเราหมวดกายนะมันเมื่อยมากเราก็ขยับซะเจ้าค่ะนะถ้าเราจะดูจิตมันเมื่อยมากเราก็ขยับซะ แต่ถ้าเราจะดูเวทนามันเมื่อยเราอย่าขยับเราจะดูเวทนาจะจะไม่ไหวสิเจ้าค่ะเขาไม่ไหวคนจะดูเวทนาได้ต้องสรงชานโอ้เจ้าค่ะเนื่นเวทนากายานุปษษัสนาเวทนานุปัสนาเนี่ยเหมาะกับสมถียานิกอ้เจ้าค่ะดูได้ดีคือมีอยู่ครั้งหนึ่งรู้สึกว่า<อ>การต้องดูจิตต้องดูจิตใช่ไหมเออถ้าจิตนี่เคลื่อนไหวรวดเร็วแล้วดูง่ายอ้เจ้าค่ะ คือมีอยู่ครั้งหนึ่งรู้สึกว่าร่างกายหลุดออกจากตัวเราฮะแวบเดียวเออนั่นแหละมันไม่ใช่เราหรอกถูกต่อไปมันจะต่างคนต่างอยู่นะมันไม่กลับมาอีกแล้ก็ขอการบ้านหลวงพ่อชี้แนะว่าควรจะปฏิบัติยังไงต่อไปก็ทำอย่างนี้แหละอย่าไปเพ่งเขาแล้วกันแล้วอันนี้แยกขันได้หรือยังคะแยกแยกได้แต่ว่ามันจงใจตั้งตัวรู้ไปพอมันจาได้แล้วว่า ตัวรู้สึกตัวเป็นยังไงมันตั้งเราไว้อย่าไปตั้งมันควรจะปล่อยธรรมชาติให้เขารู้เองใช่ใช่ขอบพระคุณเจ้าค่ะน้อมสักการะหลวงพ่อคราวที่แล้วหลวงพ่อให้ไปดูเรื่องตัวหงุดหงิดนะครับออืก็ดูไม่ค่อยทันแล้วหงุดหงิดไหมก็หงุดหงิดละครับหงุดหงิดหมดแลยครับน้วเจออะไรก็หงุดหงิดเนาะใช่เพราะงั้นกรรมฐานดูง่ายอ่ะโทรศัเนี่ยเป็นตัวที่ดูง่ายที่สุดนะ เพาะมันรุนแรงงั้นเราเป็นคนขี้โมโหเนี่ยเรามีบุญมากนะอืถ้าเป็นพวกมีโมหะเนี่ยหรือพวกงมงายเนี่ยดูยากที่สุดเลยนะโทสะเนี่ยเป็นของดูง่ายพระเจ้าท่านสอนะ่ะโทสามีโทษมากแต่ละง่ายนะผ่านง่ายต่อไปดูนะเวลาโทสะเกิดจิตใจไม่แช่มชื่นให้รู้ทันนะดูไปเรื่อยต่อไปมันไม่เอาหรอกโทสะนะใจมันจะค่อยคลายจากโทสะไป แต จ, จะสงบสุขขึ้นก็ม่มันเหมือนแบบไม่ค่อยมันเหมือนไม่ค่อยมีสตินะครับแบบมันมต้องมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่นะใช้อะไรเป็นเครื่องอยู่ของจิตนะก็ใช้กายใช้ลมหายใจอย่างเงี้ยออใช่หายใจแล้วรู้สึกตัวนะถึงจะเรียกว่ามีลมหายใจเป็นเครื่องอยู่เครื่องอยู่ของอะไรเครื่องอยู่ของจิตงั้นตัวหลักที่เรารู้ก็คือจิตนั่นเอง นะเรามีลมหายใจเป็นเครื่องอยู่ก็คือหายใจไปแล้วจิตเราเปลี่ยนแปลงไงคอยรู้ทันถ้าอย่างนั้นใช้ได้อย่างเวลาเราโกรธเนี่ยลมหายใจจะเปลี่ยนจังหวะพอลมหายใจเปลี่ยนจังหวะปุ๊บเนี่ยจะเห็นไหมว่าจิตมันเปลี่ยนไปแล้วจิตมันโกรธก็นะดูกายด้วยดูกายเคลื่อนไหวด้วยไงครับเอออย่าเอาเยอะนักก็แล้วกันนะเรา<น>ขี้โมโหดูหลายอย่างเนี่ยโมโหตัวเองอีกอนะแต่แบบในรูปแบบว่าฟังซีดีหลวงพ่อ ฟังซีดีไม่ถือว่าปฏิบัติในรูปแบบนะฟังซีดีแค่เรียนปริยัติครับแต่ถ้าฟังซีดีแล้วใจเป็นสุขก ร, รู้ใจเป็นทุกข์ ร, รู้อย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติครับฟังซีดีแล้วรู้ทันจิตไปถึงจะใช้ได้นะครั บ, รบนมัสการค่ะหลวงพ่อส่งกันบ้านครัง้งแรกค่ะเห็นหรือเปล่าว่าใจเดี๋ยวนี้กับแต่ก่อนไม่เหมือนกันดูอบอกไหมหรือเหมือนกันไม่ไม่แน่ใจค่ะแต่คิดว่า เหมือนรู้แต่ว่าไม่แน่ใจว่ารู้จริงหรือเปล่ารู้สิแล้วค่อยค่อยหัดไปนะแล้วก็พอดีมีปัญหาว่าทำสมาธิไม่ค่อยเป็ น, นะคะ่ะอ๋อไม่เป็นก็ <c oughs> ไม่ต้องทำ <c oughs> เดี๋ยวทีหลังเราเดินปัญญาไปก่อนแนละ้วสมาธิเกิดทีหลังนะเส้นทางเดินนี้มีทั้งหลายเส้นไม่ใช่ว่าทุกคนต้องทำสมาธิก่อนแล้วไปเจริญปัญญานะบางคนก็เจริญปัญญาก่อนสมาธิค่อ ย, ค, อยค่อยเพิ่มขึ้นบางคน ชำนาญทั้งเรื่องสมาธิชำนาญในการดูจิตก็จะไปเดินปัญญากับสมาธิควบกันได้ของคุณสมาธิไม่คล่องหรอกไม่คล่องก็ดูความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปเรื่อยๆกรรมฐานที่เหมาะกับคนที่ไม่ได้ฌานนะคือจิตตานุกัสนะแต่เหมือนจะรู้สึกร่างกายได้มากกว่าหรือเปล่าค่ะได้รู้สึกอะไรอเอาอันนึงก่อนก็ได้รู้สึกร่างกายแล้วรู้ทันจิตนะ ถ้ารู้สึกร่างกายหรือจิตไหลไปอยู่ในร่างกายกลากยเป็นเพียงกายแล้วใจจะทื่ทอๆอยู่กันทั้งวันเลยต่อไปก็ทำเนี่ยน้ำ <c oughs> <c oughs> จิตธรรมชาติขี้โมโหอ่ะดูออกไหมเอองั้นดูโทรศาไว้โทรศาดูง่ายเวลากระทบอารมณ์นะใจไม่พอใจรู้ทันกระทบอีกไม่พอใจอีกรู้อีกรู้เฉยๆไม่ห้ามมันไปดูโทรศไว้ ตัวนี้ง่ายที่สุดขอบพระคุณเจ้าค่ะตอนสุดท้ายไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกน่าว่ามามาสการค่ะหลวงพ่อคือฟังซีดีหลวงพ่อมาได้สองปีกว่าแล้วค่ะแล้วอเป็นเคยปฏิบัติจากที่อื่นมาก่อนแล้วรู้สึกตัวเองว่าตัวเองติดเพลงะก็เลยมาดูตามตอนนี้หายแล้วล่ะไม่ได้ติดแล้วอ๋อค่ะเกิดตามดูจิตในชีวิตประจําวันนะคะทีนี้ไม่แน่ใจว่ามาถูกรูปแบถูกสินะ เห็นไหมกายกระใจก็โค่ล้านเห็นไหมสุขทุกข์ดีชั่วกระใจเขาโคนล้านเห็นบ้างค่ะนั่นแหละถูกแล้วล่ะอถ้าขันมันแยกได้แล้วะต่อไปไม่ใช่เห็นขันมันทํางานไม่ใช่เราสักอันเดียวสังเกตไหมว่ามันไม่ใช่เรามันทําได้เองเห็นไหมมันโกรธได้เองมันโลภได้เองนะมันสุขมันทุกข์ของมันเองเราเลือกไม่ได้ดูออกไหมเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยนะมันเห็นอนัตตาบ่อยะ แล้วดูวนัตตามันเห็นนี่เองอะค่ะอะไรกลับจะข อ, อกันบ้างหลวงพ่อดูต่อไปนะแต่ถ้าใจเริ่มฟุ้งนะก็กลับไปทําสมถะถ้าเราเดินปัญญารวดไปเลยเราทิ้งสมถะนานๆไปเนี้ยใจจะไม่มีแรงดูจริงนะตอนนี้อาศัยที่เราเคยทําสมาธิมานานเราเอากําลังอันนั้นมาดูจิต ด, ดูใจได้นี่พอดูไปช่วงหนึ่งอะ่ะมันจะหมดแรงจะดูไม่ถึงจิตละ จะไปว่างอยู่ข้างนอกจิตไม่ถึงฐานงั้นทุกวันเราก็ต้องซ้อมะนะให้จิตเข้าบ้านหายใจไปรู้สึกไปหรือพุโทโธไปอะไรก็ได้น ะ, ะแล้วก็รู้ทันจิตที่เคลื่อนเราที่เรารู้ทันจิตที่เคลื่อนเนี่ยจิตจะตั้งมั่นเข้าฐานเราซ้อมทุกวันค่ะขอถวายเป็นปพุทธรูชาอจ<ส>าจารย์อาจรย์สาธุสาธ <สา S 1> ุนะขยันภาวนาแล้วก็หลวงพ่อก็ขยันเทศหน่อย ฟังเทศอย่างเดียวแล้วไม่ยอมภาวนานะไม่ไหวนะนานๆเราก็ไม่อยากเทศขี้เกียจสอนสอนแล้วไม่ทำไม่เอาหรอกกับนมัสการหลวงพ่อค่ะเจ้าค่ะ เ, เคยตื่นเต้นไห ม, ต, ต, มตื่นเต้นเจ้าค่ะยังไม่ตื่นเต้นมากบางคนเจริญพ่อหลวงพ่อยางเนี้ยตื่นอย่างเนี้ตนยตื่นเต้นมาก <laughs> นี่ยังนมัสการอยู่ ตอนช่วงฟังเทศก็ยังไม่ตื่นเต้นค่ะแต่พอรู้ว่าจะจะถามคำถา ม, มจะส่งกันบ้านเป็นจะนสงสัยอะไรล่ะก็เจ็ดไหมว่ากายกับใจเป็นคนละอันดูออกไหมดูออกเ<อ>จ้าขันมันก็เริ่มแยกแล้วนี่กลัวอะไรก็ปฏิบัติทุกวันนี้ก็คือตื่นเช้าขึ้นมาก็จะนั่งสมาธิก่อนก่อนนอนก็จะนั่งสมาธิถ้าไม่เหนื่อยจริงๆนะเจ้าค่ะ แล้วก็ตอนช่วงเย็นก็จะไปทำวัดแล้วก็จะเดินจงกรมแ ล, แล้วจึงจะกลับบ้านทีนี้อตอนช่วงที่ทำสมาธิไปอะค่ะก็จะใช้วิหารละทวิหารละธรรมเป็นพุทโธแต่ว่าพอพุทโธไปสักพักหนึ่งมันก็จะหายไปแล้วก็มันมาอยู่กับกายอืม หายใจหรือว่าอยู่กับกายที่ที่นั่งอยู่แล้วก็ดูไปอย่างนี้เรื่อยๆแล้วมันมันสว่าง ส, สว่างขึ้นมาเนี่ยสว่างจากการรู้หรือรู้จริงๆหรือเปล่าเจ้าค่ะสว่างด้วยอานาจสมาธนะิใจมันมีสมาธิก็สว่างขึ้นมานี่ <c oughs> อยู่ในชีวิตประจาวันเนี่ยนะเราปล่อยให้จิตมันเป็นธรรมชาติแล้วดูความเปลี่ยนแปลงไปหรือถ้าจิตมันดูไม่ออกนะดูจิตไม่ออกก็ดูกาย เห็นกายเคลื่อนไหวไม่ได้เห็นกายกับใจเป็นคนละนตอนนี้เห็นได้แล้วละ่ะนะ<อ>ต่อไปก็ดูนะมันไม่ใช่เราสักอันเดียวเลยเจ้าค่ะนะใช่ได้อยู่ขอบพระคุณเจ้าค่ะอาจะขอกันบ้านจากหลวงพ่อต่ อ, อด้วยเจ้าไปดดููกาาใจจเเอ้เค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะนำ้ำมศการหลวงพ่อเคยปฏิบัติมาในรูปแบบแค่ช่วงสั้นๆแต่ว่าสักพักหนึ่งก็รู้สึกว่า ไม่ชอบไม่ชอบหรอกมันเหนื่อยเกินทามันเหนื่อยแล้วกรรมฐานที่เราทามันโคตไปแล้วที่เราดูมันก็มาดูในชีวิตประจำวันอย่างเงี้ยค่ะรู้บ้างไม่รู้บ้างหัดหัดรู้ความรู้สึกของเราไปเรื่อยๆนะไม่บังคับมันนะรู้ความรู้สึกไปเรื่อยๆรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกโลบโกรธหลกอะไรรู้สึกไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าไม่เห็นความรู้สึกก็เห็นร่างกาย ร่างกายยืนเดินนั่งนอนนังกายหายใจรู้สึกไปเรื่อยเรื่อเดี๋ยวไม่ต้องทต่อได้ขอบคุณเชิขออนุญาตเป็นคนสุดท้ายนะคะคือปกติตัวเองตั้งแต่ปฏิบัติมารู้ว่าตัวเองเป็นคนที่ถนัดทางด้านการดูจิตที่มันเคลื่อนไหวค่ะแต่ว่าเริ่มอยากจะปฏิบัติทางสมถะบ้าง ค่ะแต่ว่าคือถ้าถ้าคนที่ลักษณะอย่างนี้สมาธาแบบไหนที่จะเหมาะสมด่ดูลมไป <Okay. S 2> ก็ได้นะเห็นร่างกายหายใจอย่าไปดูตัวลมหายใจนะดูร่างกายหายใจไปเรื่อยๆสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างนะอย่าไปอยากสงบนะเคล็ดลับอยู่ที่ต้องสบายใจหายใจไปอย่างสบายใจเดี๋ยวมันก็สงบเองใจยังฟุ้งอยู่นะนั่นที่ว่าดูจิต ด, ดูจิต ด, ดูไม่ค่อยถึงหรอกเดินใจเดินฟุง้ง แล้วเราต้องทํายังไงกับมันคะหายใจไปแล้วรู้ทันจิตไปหายใจสบายๆหายใจแล้วจิตใจมีความสุขก็รู้หายใจแล้วใจทุกข์ก็รู้หายใจแล้วเผลอไปก็รู้ะหายใจแล้วรู้ทันจิตไปเรื่อยๆจะได้ทั้งสมาธิได้ทั้งปัญญาเลยหมดละใจลอยแล้วโยมหรือจังใจลอยยังนี่แหละใจลอยอย่างนี้ มันมีกายหรือไม่กยจิตมันมีแต่เกิดกระดับนะจิตมันไม่พลิกหรอกมันจิตดวงหนึ่งมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปดวงหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่จิตที่มันแก่รอบแล้วนะมันจะเข้าสู่กว่าเป็นกลางตัวที่จิตเป็นกลางเนี่ยมันเกิดจากปัญญาเห็นสุขทุกข์ดีชั่วเนี่ยเสมอกันมันจะหมดการดิ้น เมืจิตหมดกันดิ้นแล้วเนี่ยถ้าบา ร, รมีเราพอนะอริยมรรคจะเกิดเนี่ยจิตจะรวมของจิตเองเข้าอัปปนาเองนะแล้วมันจะไปเห็นสภาวะภายในนะเกิดดับอยู่สองสามขณะทัดจากนั้นมันจะวางการรู้สภาวะนะทวนกระแสเข้าหาตัวรู้ตัวาธาตรู้จริงๆอ่ะนะมันก็คนมันไม่ใช่เพามันพลิกพลิกอะไรหรอกพลิกมันเป็นแค่ความรู้สึกตัวหนึ่งมันรู้สึกเหมือนอย่างนอนสลัดจิตทิ้งไปเลยนะมันนอนทิ้งไปเลยเมื่อตื่สลัดกายทิ้งไป จริงๆมันไม่ได้สลัดตรแค่ว่าดวงหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอีกดวงหนึ่งมันเกิดขึ้นมาแทนความรู้สึกมันเปลี่ยนไปมันเหมือนสลัดจิตไม่ได้มีแขนมีขามีอะไร ไ, นะไปพอหน้านะต้องไปพอนาเาถึงจะเห็นว่ามันสลัดอีท่าไหนมันดูเหมือนสลัดจริงๆมันเกิดแล้วก็ดับไป อยากคิดเดยอะนะคิดเดียวไม่ได้ต้องรู้เอามีปััสนาไม่ได้เพราะคิดมีคิดมันคือวิตกมนตรึกเอามีปััสนาคือเห็นเอาขออนุโมทนาบุญในจิตอันเป็นกุศลของทุกท่านนะคะน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาน้อมถวายปฏิบัติบูบชาแด่พระคุณเจ้าด้วยนะเจ้าคะ่ะสาธุ แล้วพอนัอยนะยาถาวาริวหฮาภุราปริภูเรนตีสาคารังเอวเมีวาอโตทินังเปตานางอูปกปฏิอิชิตตังปฏิตังทุมหังขิปเมวาสมิชตุสัเพปูเรนตูสังกปาจันโทปนรโสยถามณีโชติระโสยถาสัพีตโยวิวัตชันตุสัฟโรโควินัสตุ มาเตปวัติวันตรายโยสุขีที่คาโยโกภวะอภิวาธนาสีลิสนิจังุทธาป จ, จายโนจัตตารโรธรมาวัทันตีอายุวันโนสุขังพระลัง